รองแล้วก็วจะโดนสังคมทียอไปใช่ไหมครับอ่าเออพี่ทนเสียงมันเท่ า, าพอบใครละที่ยู่สูงมาเป็นไร เสียงถึงแล้วเปล่าอ่าได้ยินนะเอาละเราตมาช่วยพวกเราทั้งหลายนะในที่นี้แล้วก็ร่วมปรารนา เจอระงอกงามของชีวิตชีวิตที่เจอระงอกงามนะถ้าเปลี่ยนไปแล้วก็ไม่ต่างจากต้นไม้ที่สูงใหญ่ไลเห็นได้แต่ไกลโดดเด่นแต่ถ้าเราสังเกตให้ดีนะต้นไม้ที่สูงใหญ่ที่เป็นเช่นนั้นได้ก็เพราะว่าเขามีรากที่ยังลึก รากที่ยังรุนแล้วก็แผ่กว้างก็ทำให้ต้นไม้เนี่ยสามารถที่จะแทงยอดได้สูงแล้วก็แผ่ขยายกิ่งก้านได้กว้างไกลต้นไม้สูงแต่ถ้ารากตื้นไม่นายก็จะโดนพายุควนล้มไปได้ อันนี้ก็ไม่ต่างจากคนซึ่งมีอาชีพการงานหรือว่ามีสถานภาพที่สูงก็ย่อมอยู่ในสายตาของผู้คนแล้วก็อาจจะตกเป็นเป้าของการวิพากษ์วิจารณ์หรือว่ามีแรงกดดันมากกว่าต้นไม้ต้นเล็กๆ มากกว่าคนที่อยู่ในฐานะที่ต่ําต้อยกว่าถ้าว่าไม่มีฐานที่มั่นคง mm hmm. ก็จะอยู่อย่างมีความทุกขคนที่ประสบความสําเร็จ mm hmm. ก็จะมีความสุขได้อย่างแท้จริงแล้วก็ประสบความสำเร็จได้ยืนนานก็เพราะเขามีฐานใจ ฐานใจที่ลึกเพราะถ้าไม่มีฐานใจที่ลึกนะเวลาโดนพิภพวิจาร์หรือว่ามีคนเลื่อนขาเก้าอี้กลั่นแกล้งก็จะเป็นทุกข์ได้ง่ายทำใจได้ลำบาก หลายคนโดดเด่นได้ไวได้เร็วแต่พอโดนเสียงวิพากษ์วิจารเขา้าเขาก็เสียสูญไปเลยอย่างดาราศิลปินหลายคนก็เหมือนต้นไม้ที่สูงเด่นแต่ว่าก็ต้องเจอแดงลมถ้าเกิดว่าเขาไม่มีฐานใจที่อย่างลึกเขาก็จะ กลุ่มอกกลุ่มใจบางคนก็ถึงกับฆ่าตัวตายอย่างที่เราเคยได้ยินข่าวดาราเ ก, กาหลีนะเอาคนเหล่านั้นเนี่ยนะมีชื่อเสียงก็จริงแต่ว่าเป็นเหมือนต้นไม้ที่สูงใหญ่แต่ลากไม่รึเจอแรงแรงลมหรือว่าคำพูดของผู้คนที่ไม่ถูกหูที่ละลาย เายเครียดจิตใจก็ทนไม่ไหวที่จริงมันไม่ใช่เฉพาะสิ่งิพาวิจารณ์อย่างเดียวแต่รวมถึงภาระของของงานด้วยคนที่มีภาระคนที่มีความรับผิดชอบมากนะภาระเยอะถากว่าฐานใจไม่ลึกนะก็จะเครียดแล้วก็อาจจะกินไม่ได้นอะนไม่หลับอาจจะมีโรคภัยไข้เจ็บ รังควานรบกวนก็ไม่สามารถที่จะประสบความเจริญก้าวหน้าหรือความผาสุกในชีวิตได้ทุกวันที้คนส่วนใหญ่นี่นะรู้แล้วปรารถนาอยากจะประสบความสำเร็จในแง่ของการมีชื่อเสียงมีเป็นที่ยอมรับนับหน้าถือตาอยากให้คนได้รู้จักเห็นแต่ไกล แต่ว่าไม่สนใจที่จะสร้างฐานใจให้ลึกเกียงพอเพราะฉะนั้นเนี่ยพอประสบความเสเร็จแล้วเนี่ยก็ไม่มีความสุขก็มีือว่ายามที่ต้องอต้องลงจากสถานภาพนั้นอันเป็นธรรมดาโลกก็ปดหูเศร้าหมองรุ่มหมอกุ่มใจ รวมทั้งการสูญเสียพลาดพราดจากทรัพสมบัติที่เคยที่เคยมีซึ่งเป็นธรรมดาโลกทางพุทธศาสนาเขาเรียกว่าอ น, นิจฐารมอ น, นิจฐารมคือสภาวะเหตุการณ์หรือว่าสิ่งที่ไม่น่าพอใจที่มากระทบหรือเกิดขึ้นกับเรา พื่องานาก็คือเสื่อมลาเสื่อมยศ ด, ดินทาแล้วก็ทุกเนคนทุกวันนี้เนี่ยปราถนาความสำเร็จที่เป็นปิตารมได้ลานได้ยศได้รับความสรรเสริมแล้วก็ได้สุขแต่ว่าหรือมอง ลืมให้ความสาคัญกับสิ่งที่อยู่ข้างในใจรากต้นไม้เนี่ยนะมันมองไม่เห็นนะนะเราเห็นแต่ลำต้นกิ่งก้านแต่สิ่งที่มองไม่เห็นนี่แหละสาคัญเพราะว่ามันเป็นพื้นฐานของสิ่งที่ปรากฏแต่ภายนอก เมื่อสักสิกบกว่าปีก่อนนะสิบห้าปีได้น้องวัดแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐมเนี่ยมันเกิดเหตุคือว่าเขาสร้างทูบที่สูงที่สุดในโลกเมืองไทยเราชอบสร้างอะไรที่สูงที่สุดใหญ่ที่สุดในโลกเมื่อสิบห้าปีก่อนก็ทูกยักษ์สูงที่สุดในโลกสามสิบ ก, กมแล้ววันดงคืนดีทูบนั้นเนี่ยก็ถูกพายุพัด พังลงมาโอยเกิดความเสียหายมากนะรู้สึกจะมีคนตายด้วยก็มีคนพูดกันว่าเป็นเพราะสร้างทู่สูงเกินไปที่จริงไม่ใช่นะทู่ไม่ได้สูงเกินไปหรอกแต่ว่าฐานมนันมไม่ลึกพอก็ตึกตึกที่สูงเป็นร้อยๆ้อยมเมตรก็ยังอยู่ได้สูงกว่าทู่มนั้นสามสี่เท่ายังอยู่ได้ทำไมไม่ถูกมันไม่คดลง ทู่ไม่ได้พังลงเพราะความสูงแต่พังเพราะไม่มีความลึกเพียงพอคนเรานี่นะจะคำนึงแต่เรื่องของความสูงที่มาถึงความสำเร็จย่างจงไม่พอนะมันต้องถึงความลึกด้วยความลึกเนี่ยของชีวิตก็หมายถึงเรื่องของเกิดขึ้นได้จากการพัฒนาจิตใจ ถ้าเราพัฒนาจิตใจนะให้ให้รุ่มดึกสงบมั่นคงก็สามารถจะค้ำจุนหนุนส่งให้ชีวิตด้านนอกของเราจเจริญก้าวหน้าสามารถที่จะแบบรับภาระงานการหรือสามารถที่จะมีความสุขได้ ท่ามกลางสถานภาพนะในขณะที่มีสถานภาพที่สูงเด่นความลึกของชีวิตหรือจิตใจเนี่ยมักจะเป็นสิ่งที่ถูกมองข้ามไปเพราะมันมองไม่เห็นมันไม่เมื่อความสำเร็จที่เป็นเงินทองชื่อเสียงสถานภาพนะซึ่งเห็นง่ายแล้วผู้คนก็หลงใหลอยากจะได้สิ่งนั้นมา แล้วก็อยากจะเพิ่มปุ๋ยมากขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าไม่สนใจที่จะทำให้จิตใจมีความรุ่มลึกก็คงเหมือนกับทูกยักษ์นะที่สูงเ็จริงแต่ว่าฐานตื้นวันดีคืนดีเจอพายุพัดนะซักระหนัำก็พังคือลงมาแต่สิ่งเหล่านี้เราจะไม่ค่อยได้เห็นจากต้นไม้นะเพราะต้นไม้นี่ก็จะไม่ ไม่สูงอย่างเดียวแต่ก็จะลึกด้วยเป้นแต่ว่าเจอพาอยุหนักๆอันนี้ก็ต้องลมเป็นธรรมดาแต่ว่าส่วนยรตธรรมชาติของต้นม้ก็จะไม่ไม่เอาแต่แทงยอดให้สูงแต่ว่าเ็าจะพยายามยังลากให้ลึกลงไปในระดับที่สมดุลกันใหพวกเราเนี่ยที่ปรารถนาความ ความสำเร็จเนี่ยก็อยา่าก็ต้องรู้จักทาให้ชีวิตเรามีความสมดุลด้วยสมดุลระหว่างงานด้านนอกกับงานด้านในงานด้านนอกก็เช่นการทำมหากินนะการทำกิจการเพื่อช่วยเหลือส่วนรวมนะรวมไปถึงการดูแลครอบครัวนะการเลี้ยงดูครอบครัวให้มีความเจริญมั่นคงผู้ที่ร่วมเป็นงานด้านนอก ซึ่งอาจจะมีความสำเร็จในรูปของเงินทองชื่อเสียงสถานภาพแต่ว่าสิ่งที่ทต้องทำควบคู่ไปคืองานด้านในงานด้านในส่วนก็เช่นการทำสมาธิอย่างที่เราทำวันสักครู่การทำสมาธิคือการฝึกจิต ซึ่สามารถจะช่วยให้เราเนี่ยได้ครอบความสงบได้ไองานด้านนอกนี่หรือว่ากิจกรรมภายนอกเนี่ยอาจจะให้ความสนุกกับเราแต่ว่ามักจะหาความสงบไม่พบไอความสงบที่แท้จริงจะพบได้ก็าจากใจของเราที่จริงไม่ใช่เฉพาะความสงบเท่านั้นความสุขที่แท้เนี่ย จะหาพบก็ที่ใจของเรานี่แหละไม่ใช่จากสิ่งของไม่ใช่จากห้างสรสินค้าไม่ใช่จากสถานที่ท่องเที่ยวทั้งหลายความสุขทแท้มันพบได้ที่ใจของเราซึ่งยังช่วยหล่อเลี้ยงให้เรามีความสุขและช่วยทําให้เราเนี่ยไม่หวั่นไหวเมื่อประสบกับเหตุร้ายประสบความสูญเสีย ผู้คนต่อว่าดาทอติีชิ้นนินทาจิตใจก็ไม่หวั่นไหวแต่คนจำนวนไม่น้อยเนี่ยเพียงแค่ลมปากก็ทำให้ถึงกับย่่าแย่ได้เจอลมปากแค่จากคนไม่กี่คนก็คินไม่ได้นอนไม่หลับสุดเลยอันนี้เพราะว่า ไม่ได้ฝึกฐานใจให้มั่นคงหรืออย่างลึกเพียงพอการเจริญสติการทำสมาธิเนี่ยเป็นวิธีการหนึ่งที่สำคัญมากในการช่วยทำให้เรามีฐานใจที่มั่นคงอย่างลึกแต่แต่ว่า มันก็ไม่ใช่จำกัดอยู่ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเท่านั้นไม่ใช่ว่าจะต้องนั่งหลับตาตามลมหายใจเท่านั้นถึงจะเป็นสมาธิหรือว่าการเจริญสติ <c oughs> ในระหว่างที่เราทำงานเราก็สามารถที่จะฝึกใจให้มั่นคงได้ถ้าจะพูดท่านพูดอยู่เสมอว่าการทำงานคือการปฏิบัติธรรม เวลาเราทำงานเราปฏิบัติทาได้หลายอย่างนะนอกจากปฏิบัติธรรมที่เป็นความขยันหมั่นเพียรความซื่อสัตย์จริตหรือว่าการรักษาศีลแล้วเนี่ยเรายังสามารถจะฝึกใจให้มีสติทำให้เรามีจิตใจที่มั่นคง อย่างเช่นเวลาเราทำงานแล้วเราก็จะเห็นนะว่าเออสารเสริญกับนินทาเป็นของคู่กันอันนี้เราเรียนได้เรารู้ได้จากการทำงานเราสามารถจะเรยรู้ได้จากการทำงานว่าความสำเร็จกับความล้มเหลวนี่เป็นของคู่กันความสำเร็จบางครั้งนาไปสู่ความล้มเหลวและความล้มเหลวบางครั้งก็นาไปสู่ความสำเร็จมันไม่ได้แยกกันเลย สิ่งที่เรียกว่าความสําเร็จในวันนี้อาจจะกลายเป็นความล้มเหลวในวันหน้าสิ่งที่เรียกว่าความล้มเหลวในวันนี้อาจจะกลายเป็นความสําเร็จในวันหน้าไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยคือศัจธรรมที่เราเรียนได้จากการทํางานและถ้าเกิดว่าจิตใจเราสึ้งทรัพย์รับสัจธรรมนี้ก็ทําให้เราเนี่ยมีความมั่นคงไม่หวั่นไหวต่อควา ม, วามผันผวนแปรปรวน เจอความรุ่มเหลวเราก็ไม่ท้อถอยเราก็ไม่หวั่นไหวเพราะเรารู้ว่ามันเป็นเพียงแค่ปรากฏการชั่วครูช่วยยามเจอความสำเร็จเราก็ไม่ไม่ปิติริงโลดเพราะเรารู้ว่าไม่นานก็อาจะแปรเปลี่ยนไป <c oughs> ไม่มีใครที่ขึ้นแลว้วโดยที่ไม่ลงอ <c oughs> บอล เ, เมื่อเช้าเนี่ก็รู้ใช่ไหมฮะแชมป์เก่านะ สเปนตบรอบไปแล้วสเปนนี่เรียกว่าเป็นทีมฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในรูปในช่วงเจ็ดแปดปีที่ผ่านม า, ท, าทําลายสถิติท่องหลายอย่างไม่เคยมีแชมป์ยุโรปไหนที่เป็นแชมป์โลกในเวลาได้เรียนกันแล้วก็ไม่มีแชมป์โลกไหนที่เป็ น, ช น, กกนแมมชมป์ยุโรปในเวลาถัดมาสเปนทาได้หมดแต่ว่าวันนี้นะตกลอดไปแล้ว สัจธรรมเลยนะว่าสูงสุดคือสู่สา ม, มัญสำเร็จไม่มีทางยั่งยืนในสุขก็ต้องลงขึ้นแล้วต้องมีลงฟุตบอลก็สอนสัจธรรมได้ดงนั้นถ้าเราเปิดใจแล้วสัจธรรมนะเราก็จะ จ, ร จ, รจริตใจเราก็จะมั่นคงไม่หวั่นไหวไปกับกระแสขึ้นแล้วก็กระแสลงก็จะทำให้เราเนี่ยไม่หวั่นไหวต่อ ความสำเร็จหรือความล้มเหลวเพราะเราร่วมมันไม่จริรั ง, ย, งยั่งยืนเวลาเราทำงานเราก็จเจริญสติไปได้กับการทำงานเวลาพักงานเราก็สามารถที่จะทำสมาธิได้กับการตามลมหายใจเพียงแค่สนาทีห้านาที มีหมอคนหนึ่งซึ่งแกเป็นคนที่อารมณ์เฉียวมากนะแต่แกขยันมากเลยแลแกขยันแล้วก็เก่งมากก็เป็นคนเสียสละทิ่ตัวมากอยู่โรงพยบาบาลจังหวัดแทหนึงเนะ่ะแกไม่ไปไปทำงานเอกนชนเวลาผ่าตัด น, นี่เรยว่าช่วงสงกรานมีแกทำงานไม่ได้นอนเลยนะสิบแปดสิบเก้าชั่วโมงผ่าตัดอย่างเดียว เป็นเรียกว่าเป็นผู้หญิงที่ยอดมนุษย์มากแต่แกมีนิสัยเสียอย่างหนึ่งข้อเสียอย่างหนึ่งคือแกอารมณ์ร้อนและเวลาพยาบาลยื่นยื่นมีผ่าตัดนะผิดหรือเครื่องมือผ่าตัดที่ไม่ถูกต้องแกด่าเลยด่าเช่นเลย น, นะแต่คนก็ทนแกได้เพราะแกขยันแกเสียสละจริงๆ แกไม่มีครอบครัวแกติดตัวเพื่อเพื่อนไข่ไม่ได้นอนสนะิบแปดสิบเก้าช่วโมงบางทีเคยทำสถิติเกินยี่สิบชั่วโมงก็กกมีแต่แกก็รู้ตัวนะต่อหลังแกก็เริ่มนะเริ่มสนใจสมาธิภาวนาก็มาทิวาอัตมาเพื่อนๆชวนมาก็ได้เรียนรู้เรื่องการเจริญสติแล้วต่อหลังเนี่ย เวลาแกแกผ่าตัดเสร็จเนี่ยใ้ช่วงเวลาที่รอคนไข้คนไข้ใหม่เข้ามาเนี่ยประมาณบางทีสิบนิสิบยี่สิบนาทีเท่านั้นแหละนะคนไข้เกล่าวออกไปคนไข้ใหม่เข้ามาภายในเวลาไม่ถึงยี่สินาทีบางทีสิบนาทีเท่านั้นแหละเพราะเตียงมันน้อยเธอก็ใช้วิธีตามลมหายใจนะรอรอเตียงใหม่เข้ามา เป็นทั้งการพักกายและพักใจบางทีเธอก็ใช้วิธีถักโครเช่นะถักโครเชก็เป็นการทำสมาธิของเธอเป็นหมอผ่าตาัดแต่ว่าถักโครเช่รอคนรอคนไข้มาและไอโครเช่ที่แกทำนี่ก็ขายได้ด้วยนะคนในโรงพาบาก็ซื้อแกก็มีไรายได้ได้ทั้งเงินได้ทั้งสมาธนะิแล้วก็นิสัยแกก็เริ่มเปลี่ยนไปนะแกใจเย็นมากขึ้น ก็ยังด่าอยู่นะแต่ว่าน้อยลงน้อยลงมากคนก็ชมเธออยู่ไม่มากนะอายุใกล้ถึงสี่สิแล้วมั้งนะแต่ว่าคนในโรงพยาบาลนี่กลัวมากแต่เดี๋ยวนี้แกเธอเริ่มเปลี่ยนแปลงเพรารู้ว่านิสัยแบบนี้มันเผาผลาญจิตใจแล้วก็ทำลายทำลายวิถีอยู่รอบข้างทำให้เธอไม่ค่อยมีเพื่อน แต่เธอก็ไม่ค่อยมีเวลาเยอะแล้วก็ไม่ค่อยมีโอกาสได้เข้าวัดก็ใชยช่วงเวลาว่างๆนี่นะช่วงระหว่างที่รอคนไถนะ่นี่แหละทํามสมาธิเจริญสติไปความเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นยังเห็นได้ชัดแม้ว่าจะยังไม่สมบูรณ์การเจริญสติเนี่ยมันทําให้ใจสงบสงบจากอะไรนะที่สมาธิมันสงบจากความคิด และอารมณ์ถึงแม้เสียงข้างนอกนะจะดังแต่นั่นไม่ใช่ปัญหาของคนเรานะปัญหาของผู้คนเนี่ยไม่ใช่เป็นเพราะเสียงมันเสียงข้างนอกดังแต่ว่าเสียงในใจต่างหากที่มันรบ ก, กวนเสียงในใจที่เกิดจากความคิดและรวมทั้งความร้อนรุ่มในใจความร้อนรุ่มที่มันเผาวุนจิตใจนี่ต่างหากที่ทำให้คนเราไม่มีความสงบ แต่ถ้าเกิดว่าเรารู้จักนะทารู้จักฝึกใจให้สงบจากความคิดได้ไมหมายถึงาเราได้พบความสุขแล้วความสุขนี้เนี่ยจะหล่อเลี้ยงใจของเราชีวิตของเราทั้งในยามขาขึ้นและขาลงในายามขาลงประสบความสูญเสีย ถูกเตะชิ้นหนึ่งทาใจิตใจก็ยังไม่ไม่ไม่หวั่นไหวามากนะเพราะว่ามีความสงบในใจเป็นตัวหล่อเลี้ยงมีฐานใจนะเป็นตัวค้ำจุนเหมือนกับต้นไม้ในป่าลึกนะแม้ว่าฝนไม่ตกเลยหน้าแล้งแต่ก็ยังเขียวได้ตลอดปี ป่าเมืองไทยเนี่ยที่ป่าวัดเขาตะมาก็เหมือนกันนะหน้าแรงบางทีไม่มีฝนตกมาเลยแต่ทําไมเขาเขียวแในขณะที่ต้นไม้พืชรดลุกจํานวนมากพอถึงหน้าแรงแล้วก็เฉาตายเพอะต้นไม้เหล่านั้นเนี่ยมันรอแต่ฝนที่มาจากฟ้าหรือไม่ก็น้ําที่คนเขาฉีดให้ส่วนไม้ในป่านเนี่ย เขาไม่พึ่งพาฝนจับฟ้าข้ อ, อยากเขาล่างเขานี่มันลึกพอที่จะไปดูดน้ำจากใต้ดินได้ต้นไม้เหล่านี้เนี่ยเขียวตลอดปีเขาอาศัยรากที่ลึกไปถึงตาน้ำแล้วก็ดูดน้ำมาหล่อเลี้ยงให้เขียวตลอดปีแม้ในช่วงเวลาน้าแรง เราควรเราก็ควรจะเป็นอย่างนี้นะคือแม้ว่าจะไม่ประสบความสําเร็จจะไม่มีใครชื่นชมสรรเสริญเหมือนกับฟ้าท้องฟ้าในยามหน้าแรงมีแต่แสงแผดเผาแต่ว่ายังเคียวได้คือยังมีความสุขได้เพราะว่าสามารถที่จะดูดซับเอาความสุขจากภายในหรือสามารถจะเข้าถึงความสุขจากภายในคือความสุขจากความสุขใจนั่นแหละ คนเราถ้าไปพึ่งความสุขจากภายนอกนี่เสี่ยงนะไม่ต่างจากพื้นล้มลุกนะที่ต้องพึ่งพาฝนจากฟ้พาพอถึงหน้าแรงก็เสร็จแต่คนเราถ้าสามารถจะเข้าถึงความสุขจาภายในได้แม้ฝนไม่ตกน แ, แม้จะไม่ร่ํารวยแม้จะไม่มีชื่อเสียงไม่มีคนสรรเสริญแต่ว่าก็ยังมีความสุขได้ อย่างที่ตมาบอกไวแล้วว่าสุขการเกินจิตรสตินี่มันช่วยทำให้สุขจากความสุขเพราะความสงบและสมงบจากความคิดจากอารมณ์ที่มารบกวนติดใจคนเราที่ทุกข์เพราะความคิดนะคนเรานี่ว้าวุ่นเพะความคิดอย่างที่พวกเราได้ทดลองทำเมื่อสักครู่เนี่ยหลายคนตมาเชื่อว่าคงไม่สงบ น, นะเพราะว่าจันคิดโน่คนคิดนี่ ถามว่าคิดแล้วช่วยอะไรได้ไหมเพราะหลายเรื่องที่เราคิดมันก็ผ่านไปแล้วไอ้หลายเรื่องที่เราคิดมันก็ยังมาไม่ถึงแล้วมันมาถึงจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เราจะพวงลูกแช่ไหนเราก็ทําอะไรไม่ได้ขนาดที่เรานั่งอยู่นี้เราจะพวงพ่อแม่เพียงใดมันก็ไร้ประโยชน์เพราะตัวเราอยู่นี่อยู่ในห้องแอร์ สงบแต่ทำไมใจว้าวุ่นเพราะความคิดมันเล่นงานคนเราทุกวันนี้เนี่ยคิดเก่งคิดได้เร็วคิดได้นานคิดได้ทนชาวบ้านนี่คิดไดทนไม่เหมือนเรานะชาวบ้านเนี่ยให้เขาคิดสักครึ่งชั่วโมงเขาก็เหนื่อยแนละ้วแต่พวกเรานี่คิดได้เป็นชั่วโมงคิดได้เป็นวัน เราคิดได้เร็วเหมือนรถที่เครื่องแรงแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคิดเก่ฑก็จริงแต่วางความคิดไม่ได้วางความคิดไม่ได้ก็เหมือนกับรถที่เครื่องเร็วแรงแต่ไม่มีเบร์รถางมีหน้านั่งไหมถึงแม้จะยี่ห้อเป็นโลสลอยผลวงพ่อคุณก็องไม่การนั่งนะ รถเร็วแรงแต่ไม่มีเบรคไม่มีไหกร้า น, นั่งสิว่าจะแพงแค่ไหนก็าตามแต่นั่นอ า, อาจจะเป็นชีวของเราก็ได้เป็นจิตใจของเราก็ได้ก็คือคิดได้เร็วคิดได้เก่งแต่วางความคิดไม่เป็นผลยศผลคืออะไรผลคือนอนไม่หลับอยากจะหลับมันก็ไม่ยอมหลับเพราะมันคิดนั่นแหละ ผล ค, คืออะไรคือความทุกข์ไอเรื่องที่ผ่านไปแล้วช่วยอะไรไม่ได้แก้อะไรไม่ได้มันก็ยังมารบกวนจิตใจคนที่เขาด่าว่าเราคนที่เขาหักหลังเราคนที่เขาโกงเงินเราไปหรือว่าคู่รักแฟนที่ทรยศเราเมื่อหลายปีก่อนก็ยังเจ็บเอามาคิด คิดเร็วคิดเก่งแต่วางความคิดไม่ได้ก็เหมือนกับรู้จักปูปมแต่แก้ผมไม่เป็นเหมือนกับคนที่ปีนต้นไม้เก่งแต่ว่าลงไม่เป็นมีประโยชน์ไหมฮะปีนต้นไม้ปีนต้นมะพร้าวได้แต่ไม่รู้วิธีลงเมือ่อเครื่งบินที่สามารถที่จะปีนทยานขึ้นสู่ท้องฟ้าได้แต่ว่าลงไม่เป็น แต่เครื่องบินบางลงก็ไม่ไม่คิดที่จะลงนะตอนที่เกิดเหตุการณ์สิบกันยานี่เครื่องบินก็ไปชนชนตึก World Trade ใช่ไหมฮะหลังจากที่เกิดเหตุนเนี่ยก็มาพบ ว, ว่านักบินเหล่านี้นะไปฝึกฝึกฝึกที่โรงเรียนแห่งหนึ่งนะในแถวอริโซนา Arizona, หรื อ, อประมาณนั้นะนะ ก็ไปสัมภาษณ์ไปสอบถามครูฝึกครูฝึกนี่ก็ก็บอกแปลกัจกันนะไอ้ผู้ที่มาเรียนนี่นะมันเรียนแต่วิธีเอาเครื่องไปขึ้นฟ้าแต่ไม่ได้เรียนวิธีเอาลงเลยเขาก็แปลกใจทําไมเรียนแค่นี้เองนะบังคับเครื่องให้ขึ้นฟ้านะแต่ว่าไม่ไม่ได้มาเรียนอีกครึ่งหนึ่งนะคือการเอาเครื่องลงแต่คนส่วนใหญ่ก็อยากเอาเครื่องลงนะแต่ลงไม่เป็นเพราะไม่ได้ฝึก ก็คือว่าคิดเก่งแต่วางความคิดไม่ได้ถ้าสุดท้ายนะพอคิดเก่งคิดไปคิดมานะความคิดมันกลายเป็นนายเราความคิดเนี่ยนะจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นบ่าวที่ดีนะแต่มันเป็นนายที่เลวมันก็เงินเลยนะเงินเนี่ยเป็นบาวที่ดีแต่เป็นนายที่เลวถ้าเราถ้าใครก็ตามปล่อยให้เงินเป็นนายนะอันตรายทีเดียวนะ เพราะว่ามจะชักนำให้ไปคอร์รัปชันไปโกงไปทำร้ายคนเพื่อเอาเงินเขาหรือถึงขนาดไปฆ่าพ่อฆ่าแม่ก็ได้นะเมื่อตักงสองสามเดือนก่อนเราคงทราบแล้วนะครับที่เมืองปทุมมั่งมีข่าวว่า่หนุ่มวัยรุ่นคนหนึ่งนี่ไปฆ่าพ่อฆ่าแม่แล้วก็พี่ชายเพื่อตัวจะได้มรดกแต่ผู้เดียว ทีแรกก็เนื้อคนหนึ่งฆ่านะสื่อไปสื่อมาเอาเป็นลูกที่ฆ่านี่พ่ อ, อะไรพ่อปล่อยให้เงินเป็นนายบางคนอาจจะไม่ถึงกับฆ่าพ่อฆ่าแม่แต่ว่าพอเงินหายพอแก้วแบงเงินทองหายถูกขโมยกินไม่ได้นอนไม่หลับ ไม่ยอมกินไม่ยอมนอนแม่บอกให้กินเธอลูกนอนเธอลูกแกก็ไม่ยอมกินแล้วมีครูคนหนึ่งโนโกงไปแสนกว่าบาทไม่ยอมกินไม่ยอมนอนคุณยายคนหนึ่งมรกดถูกขโมยเอะมรกรดหายไปเพราะคนใช้นี่ไม่รู้อโริยาบถกว่าดลงทังขยะไปก็ป่วยหนักเลยนะ โวยเลยคือคนเรานี่ยอมตายได้เพื่อเพื่อสมบัติแสดงว่าเขารักสมบัติเขารักเงินมากกว่ารักตัวเองอันนี้เป็นอาการของคนที่ปล่อยให้สมบัติหรือว่าเงินเป็นนายตัวเองผู้เจ้าไม่ได้ปฏิเสธเงินทองนะแต่ผู้เจ้าบอกว่าให้เรารู้จักเป็นอิสระจากเงินทองใช้มัน ประการแรกคือหามันด้วยความชอบทำด้วยวิธีการที่ชอบทำแล้วก็ใช้มันอย่างถูกต้องผู้เจ้าสอนให้เราเนี่ยรู้จักวิธีเป็นนายของเงินไม่ใช่ปล่อยให้เงินมาเป็นนายความคิดก็เช่นเดียวกันนะความคิดเนี่ยมันควรจะเป็นเป็นบ่าวของเราแล้วมันเป็นบ่าวที่ดีมากเราใช้ความคิดในการเอาชนะโรคภัยไข้เจ็บ ในการเอาชนะอุปสรรคทั้งหลายถ้าเราไม่ไม่มีความคิดหรือคิดไม่เป็นนี่เราคงไม่มาถึงวันนี้ถึงที่นี่ได้แต่บ่อยครั้งเนี่ยบ่อยครั้งผู้คนปล่อยให้ความคิดหรือยอมให้ความคิดมาเป็นนายตัวเอง มันอยากจะคิดก็คิดตะพตะปื้นจนห้ามไม่ได้คนที่คนที่นอนไม่หลับเนี่ยนะนั่นคือสัญญาณหืออาการว่ากำลังปล่อให้ความคิดเป็นนายตัวนอนไม่หลับนอนไม่หลับไม่เป็นไรกูขอคิดไปเรื่อยๆก็แล้วกันขอคิดอีกนะคิดแล้วคิดอีกก็จะคอคิดยังไงความคิดมันสั่งอีกคิดคิดต่อนะคิดนอใจนี่เขาบ่โอ้นดึกแล้ว แต่สุดท้ายก็ยอมนะตัวหนึ่งตีสองตีสามก็ยังคิดไม่เริกถามว่าคิดแล้วมีความสุขั้มก็ไม่มีนะแต่ทำไมไม่หยุดคิดเพราะว่าห้ามคิดไม่เป็นเพราะว่าปล่อยให้ความคิดเป็นนายเราเสร็จแล้ว อาการที่ปล่อยให้ความคิดเป็นนายอย่างนี้คือว่าหลงเชื่อความคิดได้ง่ายไม่รู้จักทักท้วงมันมันคิดอะไรไปเชื่อมันเลยนะมันสั่งให้ทําอะไรทํามันสั่งให้ดา่ดาด่านะไม่มีการทักท้วงมีรถปาดหน้าใช่ไหมโกรธแล้วมันก็สั่งว่าเฮ้ hey, ปามันกลับคืนกูก็จะป่าดมันกลับคืนถ้ทั้งที่ต้องรีบกลับบ้านนะเพราะว่าแฟนไม่สบายแต่ว่าขอป่าดมันก่อนแล้วกูค่อยกลับไปไปกลับไปที่บ้านความคิดมันสั่ง น, ะน่ะนะหลวงพ่อขมเคียวนครับท่านเคยเล่าให้ฟังว่าเมื่อสักหลายปีก่อนเนี่ยเคยมีชาว บ, บ้านคนหนึ่งมาบวชพระที่ชายพามา บวเสร็จแล้วก็มาหาท่านเพราะทำตอนนั้นไม่ได้ตื่ประชามาอยู่วัดท่านก็แนะนำให้ปฏิบัติเดินจงกรมสร้างจังหวะแล้วก็ทำอย่างเสียไม่ได้พอถึงประมาณวัาที่สามเขาก็มาหาหลวงพ่อบอกว่าจะขอสึกหลวงพ่อก็ไม่ให้สึกบอกกลับไปปฏิบัติก็แค่สามวมาเหนือเพิ่งบวชมาผ่านไปไม่ไม่ถึงชั่วโมงมาี ขอบวชนล้ขอสึกเขาก็บอกว่าเนี่ยผมไม่ได้มาผมไม่ได้มาบวชเพื่อมาปฏิบัตินะที่บังคับให้มาตอนนี้ผมบวชแล้วผมก็จะขอสึกหลวงพ่อคเกียรก็ไม่ให้สึกนิมนต์กลับไปปฏิบัติต่อตอนเย็นตกเย็นมาอีกนะลบเราจะขอสึก หวงพ่ออมเขียนก็เลยถามเพราะว่าอะไรที่ทำให้ท่านมาหาผมแก mm hmm. ก็คิดดูก็สักพักก็บอกว่าความคิดครับมควาพอมเขียนก็เลยถามว่ามีความคิดแล้วต้องเชื่อมันทุกอย่างเหรอถ้าทำตามความคิดทุกอย่างนี่คุณไม่แย่เลยแต่ท่านก็ไม่สึบให้เขาก็ไม่พอใจวันรุ่งขึ้นเช้าตรู่เลยนะ พอพ่อรุ่นนี้เห็นหลวงพ่อก็รีบมาเลยนะแต่ครั้นี้ไม่ได้มาขอสึกละมากราบท่านอย่างนอบ น, น้อมแล้วก็บอกขอบคุณหลวงพ่อเขอบอกว่าเนี่ยถ้าหากว่าหลวงพ่อศึกให้เขาเมื่อวานนี้ป่านนี้เขาคงเป็นฆาตกรไปแล้วเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยเขาคิดแต่เรื่องการ เปยิงคนสองคนคงเป็นภรรยากับชายชู้กนนะเขาคิดแต่ว่าจะหาปืนจากไหนแล้วก็ถ้ายิงแล้วเนี่ยจะเป็นหลบที่ไหนทั้งวันนะคิดแค่นี้แล้วพอคิดแล้วเนี่ยก็ต้องการจะสึกแต่การที่หลวงพ่อนี่พูดให้เขาพูดเตือนสติเขาเนี่ยทให้เขาได้คิด แล้วเขาก็เลยไม่ทำตามความคิดนั้นก็บอกว่าภาพลุ้นนั่นก็บวชต่ออีกนานทีเดียวนะอันนี้เป็นตัวอย่างท่าถอนนะที่ดีเลยนะว่าคนร้อนเนี่ยถ้าทําตามความคิดนั้นนะอาจจะเดือดร้อนนะและจะว่าไปคนทั้งหลายที่เดือดร้อนเนี่ยก็เพราะว่าหลงเชื่อความคิดนั่นแหละ ความคิดที่ดีก็มีนะแต่ว่าความคิดที่ไม่ดีก็เยอะแต่คนเราก็ไม่ว่าใครก็ตามส่วนใหญ่เนี่ยความมีความคิดเกิดขึ้นเยมันก็หลงเชื่อความคิดนั่นได้ง่ายและความคิดนี้ก็สามารถจะทำให้ผู้คนทะเลาะเบาแหวงกันดี๋ยวนี้ถ้าคิดไม่เหมือนเราเราก็อันเฟรนนะ บางทีเขาไม่ได้แค่เขาเขาเพียงแต่เขาไม่ได้อยู่คนละเขาไม่ได้คิดตรงข้ามกับเรานะเพียงแต่เขาไม่เห็นด้วยกับเราในบางเรื่องไม่เห็นด้วยกับความคิดของเราในบางเรื่องแล้วก็โกรธเขาล้ะอาว่าเขาเป็นฝ่ายตรงข้าม unfriend เฉยเลยนะเพราะคนสมัยจริงๆอย่างนี้ไม่ได้ต้องการเพื้อนนะเขต้องการพวก คนสมัยนี้นะต้องการไม่ได้ต้องการเพื่อนต้องการพวกเพราะเพื่อนเนี่ยก็คือผู้ที่สามารถทวงติงได้สามารถที่คิดต่างได้แต่คนสมัยนี้ทําไมถึงต้องการแต่พวกไม่ต้องการเพื่อนเพราะว่าถูกครอบงำด้วยความคิดถ้าคิดเหมือนกันอ่ะเป็นพวกเดียวกันแต่ถ้าคิดไม่เหมือนกันก็ผักเข้าเป็นคนละพวก ทั้งที่คนนั้นก็อาจจะเป็นเพื่อนที่พบกันมาตั้งแต่เล็กอาจจะเป็นญาติอาจจะเป็นพี่น้องเพราะุ ว, ว, วันนี้เนี่ยคนเรามีความบาดหมาง ก, กันได้ง่ายนะเพราะว่าหลงเชื่อความคิดปล่อยให้ความคิดเป็นนายจะเป็นความคิด หรือในทางการเมืองทางศาสนาหรืออะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดนี้เนี่ยถ้ามองแบบพวกคืว่ า, วาลืมตัวปล่อยให้ความคิดมาเป็นนายเพราะคนเราเนี่ยถ้าไม่ลืมตัวเนี่ยความคิดมันจะมันจะกลายเป็นแค่บ่าวคนเราถ้ามีสตินเนี่ยเราจะใช้ความคิด ในการทำโน่นทำนี่แต่ถ้าไม่มีสติลืมตัวนะความคิดมันใช้เรามันใช้เราเพื่อสร้างความยิ่งใหญ่ให้กับความคิดนั้นความคิดนี้บางทีมันเหมือนกับดูไม่มีชีวิตจิตใจนะแต่ว่าถึงจุดหนึ่งนี่มันทำทุกอย่างเพื่อตัวมันเองอุดงการณศาสนาอุดงการ์ทางการเมืองหรือไม่แตความคิดเล็กๆน้อยๆเช่นความคิดในเรื่องการสร้างบ้าน ในเรื่องการปูการปูปูกระเบื้องสามีภรรยาคู่นึงเคยทะเลาะ ก, กันมาแล้วนะเรื่องปูกระเบื้องแค่ผิดไปนหนึ่งแผ่นผิดหนึ่งแผ่นนะกลับหัวกลับหางนีงทะเลาะ ก, กันเลยนะต่างโทษกันว่าเธอผิดสามีก็บอกว่าเธอผิดเพราะว่าบอกบอกเธอให้คุมช่าง บอกวเธอเธอเธอดูแลอยู่กับช่างฉันไปทํางานทําไมเธอไม่บอกช่างให้ให้ให้ปูกคุณ่อให้ถูกภรรยาก็บอกว่าแล้วทําไมเธอไม่คุยกับช่างเองไม่บอกช่างเองทะเราะกันเรไม่คุยกันนะแต่ว่า อย่างดีที่ได้สติสามวันหลังจากนั้นว่าเอ้ยเราจะมาทะเลาะกันทําไมไอ้เพียงแค่กระเบื้องแผ่นเดียวที่จริงมันไม่ใช่กระเบื้องแผ่นเดียวเป็นเรื่องความคิดนะโดยว่าความคิดว่าใครถูกใครผิดฉันถูกเธอผิดมันก็มีนะแบบเนี้ยมันไม่ต้องพูดถึงเรื่องของความคิดที่ใหญ่ๆความคิดทางการเมืองหรือาศาสนาหรือบางทีก็ทะเลาะกันว่าจะไปเที่ยวที่ไหนดี ลอนดอนหรือว่านิวยอร์กเนี่ยก็ทะเลาะกันแล้วนะความคิดทั้งนั้นความคิดไม่ใช่ปัญหามากเต่ความยึดติดกับความคิดตรงทั้งมันกลายเป็นนายแล้วตรงนี้ถ้าเกิดมีสตินะมีสติมันจะช่วยทําให้เรารู้ทันความคิดแล้วก็สามารถจะวางความคิดได้มันทาให้เราเนี่ย รู้จักไตรตรองรู้จักทักทวงความคิดรวมทั้งอารมณ์ด้วยคนเราคิดนะแต่ไม่รู้ทันความคิดพอไม่รู้ทันความคิดเนี่ยก็จะเป็นก็จะปล่อยให้ความคิดมาเป็นนายตัวเองได้แต่สติมันมีคุณสมบัติพิเศษตรงนี้คือมันทาให้เราได้เห็นความคิดคนเราไม่ได มีความสามารถเพียงแค่คิดเป็นเท่านั้นหรือคิดเกยนเท่านั้นเราสามารถที่จะวางความคิดได้เราสามารถที่จะทักท่วงความคิดได้ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในพระสติช่วยทำให้เราได้เห็นสตินี่ก็เปลี่ยนตั้งตาในนะตานอกเนี่ยเห็นนาฬิกาเห็นคนเห็นเสานะ ก็ได้เห็นรูปที่จริงเรายังมีหูเอาไว้เห็นเอาไว้ได้ยินนะเรามีไอต อ, ไอนาถึงหกถึงห้าเพื่อรับรู้สิ่งภายนอกตาหูจมูกลิ้นกายตาไว้มองเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่น ลิ้นรับรถส่วนกายนี่ก็ใช้สัมผัสนุ่มแข็งอ่อนร้อนหรือว่าแหลมแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยยังไม่พอนะนอกจากตานอกแล้วนอกจากตาเนื้อแล้วเราต้องมีตาใ น, นตานในช่วยทำให้เราได้เห็นความคิดเห็นอารมณ์พอเห็นแล้วเนี่ยมันวาง มันวางได้ง่ายเชื่อมาแนะนํำพวกเราได้ทำสมาธิมาสักครู่เนี่ยคือให้เราได้ฝึกการเห็นแต่บาไทีไม่เห็นหรอกมันเป็นเลยเห็นกับเป็นต่างกันนะเห็นความคิดแต่เป็นผู้คิดเนี่ยนะต่างกันนอกจากก็ตามที่เราเป็นผู้คิดเนี่ยคือเราจมหายไปในความคิดเห็นความโกรธกับเป็นผู้กลรธไม่เหมือนกันเมื่อเราเห็น ความโกรธนะความโกรธเป็นอันหนึ่งสติเป็นอันหนึ่งแต่ถ้าเป็นผู้โกรธนะจิตมันจมหายก็ไปในความโกรธเลยแล้วความโกรธจะกลายเป็นนายเรานอกจากความคิดแล้วอารมณ์ก็เป็นนายพวกเราบ่อยมากความโกรธความเศร้าวความเสียใจมันเป็นนายเราแล้วมันกาะกลุมจิตใจเราว่าไม่ยอมปล่อย มันจะทำทุกอย่างเพื่อให้เราเนี่ยจมอยู่ในอารมณ์ต่อไปคนที่เวลาเศร้านะ่นะมีเพื่อนมาชวนให้ไปเที่ยวนะไปไหมไม่ไปจะขอเศร้าต่อไปมีเพื่อนคนหนึ่งแะเศร้านะเพราะว่าได้จดหมายจากชายคนหนึ่งที่เธอรักแล้วก็ชายคนนั้นดูท่าทีไม่มีใจให้เธอเลยเธอก็เศร้าเสียใจ จ, จเพื่อนก็มากดกลิ่นผู้ชายเพื่อนผู้ชายหลายคนสองคนมากดกริ่นแล้วก็ตะโกนบวกเวียชวชวนไปเที่ยวเธอบอกว่าฉุนขึ้นมาในใจเลยนะในใจตอนนั้นมันคิดเลยนะว่าเวลาจะสุขก็ไม่สมหวังเวลาจะทุกข์ก็ยังมีคนมาขัดขวางอีกความทุกข์เนี่ยมันจะกาะกลุมใจแล้วว่าอย่าไปอย่าไปขอเศร้าต่อไปเวลาเราเศร้าเราอยากจะฟังเพลงอะไรฮะฟังเพลงเศร้าๆใช่ไหม ถ้าอยากไปฟังเพลงเราสู้มั้ไม่มีนะฮะไม่อยากไปฟังเพลงคืนความสุขให้ประเทศไทยหรอกก็จะฟังแต่เพลงเศร้าๆใช่ไหมฮะอันนี้มันเป็นเป็นเนี่ยคือที่ว่าอารมณ์มันมันเป็นนายเราเป็นกอกคุมจิตใจเราไว้แล้วมันจะพยายามให้เราจมอยู่ในอารมณ์นั้นแล้วเราก็ยอมนะสยบยอมมันกูจะเศร้าต่อไปอยากขัดขวางกันแล้วกันโกรธก็เหมือนกันนะโกรธนี่เวลาโกรธนี่โมันจะอยู่ในความโกรธนะ เพื่อนมาเ <c oughs> พื่อนมาแนะนำให้ให้อภัยเรากลับโกรธเพื่อนนะเพื่อนมาแนะนําให้ร้อยอภัยเราโกรธเพื่อนที่มันแนะนํำแบบนี้แต่ถ้าเพื่อนที่มามามาลุ้นให้เราโกรธต่อไปนี่เรากลับชอบความโกรธมันก็จะเกาะกลุ่มจิตใจทําให้เราจมอยู่ในความโกรธไม่อยากจะลืมและจะทำทุกอย่างเพื่อให้เราโกรธต่อไป อาจจะเขียนชื่อของคนคนนั้นเอาไว้ติดไว้ที่ที่กระจก บ, บางคนสักไว้ที่มือเลยนะคนที่โกรธแตกลัวลืมเวลาผ่านไปสิบปีแล้วกลัวลืมเพจดสักมันเอาไว้มันมีตำนานจีนนะ้เมือสองพันปีเนี่ยโกจีง่งนะโกจิ่งนี่เป็นพระราชาเป็นราชาแพ้นแพ้นหนึ่งแล้วตอหลังเนี่ยถูกราชาแคร์นหนึ่งบุก แล้วก็จับไปเป็นเฉลยโชคดีไม่ตายนะเขาให้ไปไปเป็นคนเลี้ยงมาโอหแกแค้นมาเลเซียหน้ามากที่แรกอยากจะฆ่าตัวตายจะมีคนเตือนว่าอย่าฆ่าตัวตายเลยรอเวลาดีกว่าแกก็พยายามทำความดีความชอบจกกนกระทั่งราชาคนนั้นไว้ใจที่ไว้ใจก็เพราะว่าแกเคยป่วยแล้วก็ไอ้โกจิ้งบอกว่ารู้วิธีนะวินิจฉัยโรคจากการกินชิมที่ โกจ้ยงยอมยอมชิงขี้นะแล้วก็บอาเนี่ยราชาคนนี้กำลังจะหายแล้วก็หายจริงนะแกก็โปรดปรานปล่อยกลับคืนสู่แคว้นด้วยถ้าจำไม่ผิดนะซึ่งเป็นแคว้นแคว้นของโกจี้งโกจิ้งกลับมาเป็นราชาเนี่ยนะก็ลําลึกได้ถึงความเจ็บช้ำ น, น้ำใจอยากจะไปเอาคืนอยากจะแก้แค้น แตก็กลัวว่าถ้าตัวเองกลับมาเป็นราชาแล้วเนี่ยความสุขสบายจะทําให้ลืมความแค้นแกทําไงฮะธรรมะที่ไม่ลืมความแค้นแกก็ไปนอนบนฟางแกไม่นอนบนไม่นอนยอมนอนบ น, นเตียงแล้วนอนบนฟางเหมือนสมัยที่เกิดเป็นคนเลี้ยงมาย้าแลวลากินอาหาร ก, ก็กินอาหารแบบสมัยที่เป็นคนเลี้ยงมา้าเติมดีเข้าไปด้วยเพื่อให้ขมทั้งหมดนี้เนี่ยเพื่อเตือนใจให้เราเลึกถึงความขมขื่น เพื่อจะได้เลี้ยงความโกรธเอาไว้ความแค้นเลี้ยงเอาไว้แล้วแกทำอย่างปสิปีนะสุดท้ายเนี่ยก็สามารถที่จะใช้อูบายเนี่ยไปโจมตีแคลนนั้นได้เพราะเรารู้จักสายสีใช่ไหมฮะสายสีนี่ก็คือมาต่อคื อ, ค, อ, ค, อคือเครื่องมือห น, นึ่งที่โกเจี้ยงส่งไปเพื่อจะไปทำให้ราชานั้ น, นี่เพิ่อเพลินในกาาสุขเพื่อเพลินในความในในในความสำราญ แล้วก็ภายแล้วก็เลยไม่สนใจปกครองบ้านเมืองอ่อนแอกองทัพอ่อนแอถ้าโกรธเจียงเนี่ยเขาเป็นคนที่โกรธเขาเป็นคนที่พยายามเลี้ยงความโกรธเอาไว้ตอนที่โกรธนี่ทุกนะแต่พยายามเลี้ยงเอาไว้พยายามที่จไม่ลืมแล้วธรรมชาติคนเราก็เป็นอย่างนี้นะเราจะไม่ถึงขั้นโกรธเจียงนะแต่เราเวลาเราโกรธเนี่พยายามเลี้ยงความโกรธเอาไว้แล้วมันดีไหมครักินไม่ได้นอนไม่หลับความดันขึ้น เพอร์เอร์เซลเรในของตาหยิบไหเพราะความโกรธแต่ทำไมคนไม่เห็นโทษของความโกรธเพราะความโกรธมันเกาะกลุ่มจิตใจและมันก็พยายามปลุกมันให้เราเห็นว่าความโกรธเป็นเรื่องดีเรื่องงามให้อภัยเป็นเรื่องโงู้ใครมาบอกให้อภัยก็จะเกลียดเขาไม่พอใจเขนี่นี่ฮะอารมณ์เนี่ยมันถ้าเรา ถ้าเราไม่มีสตินะมันก็จะครอบงำใจเราจริงๆความกลัวมีประโยชน์นะถ้ามีสตินะแต่ว่าอันนี้พูดอผิปราไว้วันหลังความกลัวมีประโยชน์ถ้าเราใช้มันให้เป็นกิเลสมีประโยชน์ถ้าใช้เป็นนะฮะในสายพุทธการนี่ก็มีบางคนบรนรลุธรรมได้เพราะตัณหานี่แหละผู้จารย์เป็นผู้ฉลาดในการใช้ตัณหาเพื่อร้างตัณหา แต่นั่นเป็นเรื่องของคนที่มีสติและปัญญาแต่ถ้าไม่มีสติไม่มีปัญญานะความกวดก็มาเป็นนายเราคร่อบงำจิตใจเรารวมทั้งความเศร้านะความเบื่อความกลัวทั้งนี่เป็นเพราะไม่มีสตินะแลวสตินี่นะอย่างที่บอกไว้แล้วว่าถ้าเราไม่มีเนี่ยนะความคิดมันจะเป็นนายเรา แล้วความคิดเป็นนายล้วแล้วเนี่ยมันทำให้นอกจากจะไม่เพียงแต่ชักนำให้เราทำในสิ่งที่ไม่สมควรทำเท่านั้ น, น, นแต่บางครั้งเนี่ยบ่อยครั้งเนี่ยมันบงังมันบังจิดบังใจให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะเห็นความจริงหรือเปิดใจรับรู้ถึงความรู้สึกของคนที่อยู่ข้างหน้าเราได้ความขัดแย้งกันระหว่าง สามีภรรยาความขัดแย้งรองเพื่อนร่วม ง, งานอย่างที่ตมาภูมิในสักครัว่าส่วนหนึ่งเป็นเรืงการที่เราไปหลงเชื่อความคิดควา่าให้ความคิดเป็นนายจนกระทั่งถ้าใครคิดไม่เหมือนเราเราก็มองเขาเป็นศัตรูคนละพวกนั่นเป็นอันหนึ่งนะฮะแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยพอเราคิดอะไรก็ตามเนี่ยแล้วเราหลงเชื่อความคิดนั้นเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะรับฟังคนอื่นดได้เลย ความขัดแย้งความบาดหมางในที่ทํางานในครอบครัวไม่ว่ากับสามีภรรยาแล้วกับพ่อแม่กับลูกเนี่ยส่ว น, นเพราะว่าผู้คนไม่สามารถที่จะเปิดใจรับฟังกันและที่ใจไม่เปิดเพราะว่าความคิดนี่มันเป็นขวางเอาไว้มาเป็นครอบเอาไว้ <c oughs> เคยมีหมอฟันคนหนึ่งกับ กับผู้ช่วยเนี่ยขัดแย้งกันอย่างหนักแล้วก็มาเข้า้อสอบรมของคุณหมอท่านหนึ่งชื่อคุณหมอวิธานฐานวุฒนะิคุณหมอวิธานแกก็พูดถึงเรื่องการเปิดใจรับฟังกันแล้วก็สาธิต น, นะใช้เทคนิคบางอย่างเพื่อช่วยทำให้คนนั้นเปิดใจรับฟังกันมากขึ้นแล้วก็ถามว่าใครจะเป็นนักศึกษาสมัครก็มีสองคนนี้แหละนะหมอฟัน กับผู้ช่วยก็ให้มา น, นั่งกลางวงแล้วก็ให้แต่ละคนได้พูดถึงความขบคล้องใจของตัวว่าไม่พอใจฝ่ายเรื่องอะไรกติ ก, กามีง่ายคือว่าคนหนึ่งพูดอีกคนหนึ่งฟังระหว่างที่ฟังเนี่ยห้ามห้ามห้ามแยง้งห้ามสักฟังเสร็จ ก็จะต้องสรุปว่าที่เมื่อกี้ได้ยินได้ยินว่ายัางไงถ้าสรุปได้ถูกต้องก็ค่อยสลับคู่ก็เริ่มต้นด้วยการที่ผู้ช่วยเนี่ยพูดถึงความในใจว่าไม่ชอบหมอฟังเรื่องอะไรสองคนทางานใกล้กันนะผู้ช่วยกับหมอฟันนีย เดีวก็พูดไปประมาณสามนาทีห้านาทีได้พูดจบก็ให้หมอฟังเนี่ยสะท้อนกลับว่าเนี่ยเมื่อกี้ผู้ช่วยพูดว่าอะไรเดี๋ยวก็สะท้อนกลับสะท้อนได้ถูกผู้ช่วยพยักหน้าว่าถูกต้องแล้วก็สลับกันครั้นี้ผู้ช่วยเป็นฝ่ายฟังหมอเป็นฝ่ายพูดหมอพูดระบายไปสามนาทีห้านาทีตามเวลานะพูดจบก็ให้ผู้ช่วยเนี่ยสะท้อนกลับว่าเมื่อกี้เนี่ย หมอพูดว่าอะไรบอกว่าสะท้อนไม่ถูกต้องก็ให้สะท้อนใหม่ก็ผิดอีกจนกระทั่งครั้งที่สามเนี่ยสะท้อนไปว่าได้ยินมาว่าอย่างไรหมอพูดอะไรบ้างหมอก็พยักหน้าว่าใช่ก็จบนะแล้วคราวนี้ก็เริ่มถามความรู้สึกของหมอกับผู้ช่วยหมอบอกว่าเข้าใจ ที่ผู้ช่วยพูดมากขึ้นเข้าใจความรู้สึก ข, ของผู้ช่วยมากขึ้นแล้วก็เพื่อวันเนี่ยถ้าถ้าหมอเป็นผู้ช่วยก็คงโกรธเหมือนกันก็คงไม่พอใจเหมือนกันนะอันนี้ก็ถามถามผู้ช่วยนะว่าเกิอดอะไรขึ้นทําไมเมื่อกี้เนี่ยถึงสะท้อนออกไปถึงสองครั้งไม่ถูกต้องแกก็บอกว่า แกก็ทบทวนก็บอกว่าเนี่ยเป็นเพราะว่าตอนที่ได้ยินหมอพูดเนี่ ย, ยใจแกเนี่ยเถียงใจแกคิดจะเถียงหมอพูดอะไรไปแกะจะเถียงแกะจะแก้ตัวเพราะใจที่มันไม่ใจที่คิดแต่จะเถียงคิดแต่จะแก้ตัวเนี่ยก็เลยทำให้ไม่ได้ยินเลยว่าหมอเนี่ยพูดว่า ความคิดที่จะแก้ตัวความคิดที่จะหาเหตุผลมาเนี่ยมันปิดบังใจของผู้ช่วยเนี่ยจนไม่รู้ว่าหมอพูดว่าไงหูได้ยินแต่ใจไม่รับรู้นี่คือปัญหานะฮะเป็นปัญหาที่เป็นเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับคนจำนวนมากก็คือว่าฟังแต่ไม่ได้ยิน ทำไมไม่ได้ยินฮะพอใจไม่ว่างที่จะฟังใจมันคิดเถียงคิดแก้ตัวหรือว่าบางทีสรุปร่วมหน้าไปแล้วนะพอสรุปร่วมหน้าไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่ฟังแถมเกิดอารมณ์ขุนโมมี ม, ม, มีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ย แ, แ, แกแกก็ คู่วันเนี่ยแกแกมีความรู้สึกรู้สึกไม่ค่อยดีกับกับภรรยามากเพราะว่าเวลาแกไปทํางานและจะกลับบ้านเนี่ยพอจะจะเลิกงานภรรยาก็จะโทรศัพท์มาถามว่าจะกลับบ้านเมื่ อ, อไหร่บางทีสามีไปทําธุระหลังจะเลิกงานภรรยาก็โทรมาถามอีก แล้วเป็นมีอยู่บ่อยมากนะตรงกระทั่งสามีรูสุดรำคาลแล้วก็เวลากลับบ้านก็หน้าตาไม่หน้าตาก็บึ่งตึงเจอหน้าภรรยาแล้วก็มันก็นหน้าบอกคุณแม่รำเพราะว่าสามีรู้สึกว่าภรรยาไม่ไว้ใจแล้วก็เป็นอย่างนี้อยู่นานนะแล้วความสัมพันธ์ก็เริ่มแยกลงแยก ตอนหลังบางทีภรรยายังไม่ทันจะเอ่ยปากถามว่าไปทำอะไรนะสามีก็สวนเข้าไปซะก่อนแต่พอมีเพื่อนไปสอบถามไปสอบถามภรรยานะว่าทำไมถึงชอบโทรบ่อยๆภรรยาก็บอกเป็นห่วงเป็นห่วงนี่ดีไหมฮะดีแต่สามีคิดว่าอะไรไม่ไว้ใจใช่ไะม แล้วความเชด่าไม่ไว้ใจนี่ก็คิดมาต้องก็มีก็อยู่ในใจตลอดว่าเมียไม่ไว้ใจกูแล้เวลาพอมีปฏิสัมพันธ์กันยังไงเนี่ยมันดีไหมคมันก็ไม่ดีทั้งที่สิ่งที่ภรรยาทำเนี่ยเวลาอยู่ตอนหน้าเนี่ยอาจจะแสดงความหูใหญ่แต่ว่าความการที่สรุปไปแล้วว่าภรรยาเนี่ยไม่ไว้ใจมันก็ทำให้สิ่งที่ภรรยาพูดพรรยาทำออกไปเนี่ยมันกลายเป็นลบไปหมด เพราะว่าสรุปร่วงหน้าแล้วว่าภรรยาไม่ไว้ใจการสุดแบบนี้เนี่ยจะทำให้ใจสามารถจะรับรู้ได้ไหมว่าภรรยานี่ขวางใหญ่มันไม่รับรู้แล้วครับเพราะวาความคิดมันสรุปไปแล้วนี่คือปัญหานะฮะคือพอพอเราพอเรามีความคิดแล้วเราสรุปพอเรามีความคิดใดความคิดหนึ่งแล้วเราเชื่อในความคิดนั้นเนี่ย วัาเช่นภรรยาไม่ไว้ใจเนี่ยนะไม่ว่าเขาจะทำอะไรไปเนี่ยก็เป็นการไม่ไว้ใจไม่สามารถจะรับรู้ได้เลยว่าเขาห่วงใยนี่เรียกว่าไม่รู้ทันความคิดถ้าคนี่มีสติเนี่ยเขาจะรู้ว่าเออนี่เป็นความคิดหนึ่งนะอาจจะนี่เป็นความคิดหนึ่งแต่อาจจะไม่ใช่ก็ได้ เราคิดว่าเออมียไม่ไว้ใจแต่ลองคิดเผื่อไว้สักหน่อยว่าอาจจะเป็นเพราะเหตุอื่นก็ได้คนที่มีสติเขาจะคิดแบบนี้นะเขาจะคิดเผื่อไว้นะเขาจะคิดเผื่อไว้เพราะเขารู้ทันความคิดแต่คนที่ไม่มีสตินะ <c oughs> คิดอะไรไปปุ๊บเนี่ยมันเชื่อปั๊บเลย แต่เรื่องนี้ก็จบในสุดก็จบได้ดีๆนะเพราะว่าพอพอมีการชักชวนให้สองคนนี่มาคุยกันแล้วก็ได้มีเปิดโอกาสให้ภรรยาได้พูดสามีฟังพอมันมีตัวช่วยมีมีกระบวนการบางอย่างที่ช่วยทําให้สามีเปิดใจฟังอย่างที่คุณหมอวิษธานแกทำกับหมอกับผู้ช่วยเนี่ยก็ทำให้เข้าใจถึงความรู้สึก ของภรรยามากขึ้นก็ทําให้รู้ว่าตัวเนี้ผิดมาตลอดพอรูว้ว่าภรรยาห่วงใยนี้่เกิดความรักเกิดความเห็นใจเกิดความรู้สึกดีบ่อยครั้งเนี่ยที่อันนี้ที่ตรมบอนนะความขัดแย้งเกิดขึ้นความเข้าใจความขัดแย้งเกิดขึ้นเพราะความเข้าใจผิดและความเข้าใจผิ ด, ผดเกิดขึ้นเพราะการที่ไปหลงเชื่อความคิด ใดความคิดนะจนกระทั่งไม่เปิดใจที่จะรับฟังเสิ่งที่มันต่างไปการเปิดใจฟังนี่สาคัญนะคะความขัดแย้งระหว่างพ่อแม่กับลูกปล่อยครั้งก็เกิดเพราะเหตุนี้นะเพราะว่า พ่อแม่เนี่ยมีความคิดบางอย่างสรุปไว้แล้วพอลูกทําอะไรไปเนี่ยพ่อแม่ก็จะคิดแต่ว่าเนี่ยลูกเป็นอย่างนี้ทั้งที่ลูกอธิมีเหตุผลอื่นแต่ว่าพ่อแม่ไม่ฟังแล้วแล้วพอพ่อแม่สรุปนะพ่อแม่ก็จะใช้วิธีสั่งใช้วิธีสั่งใช้วิธีใช้วิธีธ บ, บังคับ พ่อคิดว่ารู้เหตุผลว่าลูกจะทําอย่างนี้นั้นพราะอะไรลูกจะใช้อุบายลูกจะใช้ลูกไม้อะไรก็ตามก็ว่าไปแต่ว่าถ้าเราได้เปิดโอกาสให้ให้ให้ให้ลูกเขาได้พูดถึงความในใจนะบางทีเราจะพบว่าโอ้ที่เราเข้าใจนี่มันผิดไปคนเรา เข้าใจจิตได้ง่ายนะเพราะว่าเราชอบด่วนสรุปมีผู้ชายคนหนึ่งจะเล่าว่าวันหนึ่งเนี่ยนะขึ้นรถขับรถไปทุกถึกแถวภาคเหนือนะมันเป็นภูเขาทางก็แคบมีช่วงหนึ่งเนี่ยขาะที่รถกำลังขึ้นเขาอยู่นะ ก็เห็นรถข้างหน้าเนี่ยมันมันมันมันแส่มันสายเลยนะแล้วก็รถก็ขับมาด้วยเร็วพอรถใกล้จะมาถึงพอรถคันนั้นเนี่ยใกล้จะถึงรถของผู้ชายคนนี้เนี่ยรถอีกคันหนึ่งเป็นผู้หญิงนะรถที่แส่สายปาดมาเนี่ยมันมันมันปาดจนทั้งรถของผู้ชายต้องต้องต้องไปหลบข้างทางเพราะทามันแค่ พอใกล้สวนกันผู้หญงนั้นก็พูดขึ้นมาว่าควายผู้ชายนั้นโกรธมากเลยบอกเราอุตส่าห์หลบนะคุณมาขับรถแบบเธอขับรถแบบนี้เล้วยมาว่าฉังควายก็เลยด่า ก, กันไปว่ามึงก็ควายนะเสแล้วขับรถต่อไปพอถึงโค้งนี่นะปบากว่าเจออะไรฮะโฟกัสควายเบรกไม่ทันฮะเพราะว่าไม่ได้ชะลอเนี่ยใช่ไหม ก็ตอนนั้นมันเริ่มจะเป็นขาลงแล้วก็ชนควายไปเลยเนี่ยเป็นพ่อเลยฮะด่วนสรุปใช่ไหมฮะไปด่วนซูว่าเขาว่าเราที่จริงเขาเตือนเราเขาไม่ได้ปรารถนาร้ายต่อเราเลยเขาปรารถนาดีแต่พอเราเชื่อพอเราด่วนสรุปแล้วเชื่ออะไรขึ้นมาแล้วเนี่ยความเข้าใจผิดมันสามารถนําไปสู่การ ทำอะไรที่ผิดๆแล้วเกิดปัญหาได้ดัง้ตมาคิดว่าในความสัมพันธ์เนี่ยนะเราต้องโดยเพราะในเวลาที่มีความขัดแย้งเนี่ยเราต้องรู้ทันความคิดนะว่าเรามีความคิดหนึ่งซึ่งมันสามารถจะเป็นอุปสรรคที่ทำให้เราไม่เปิดใจฟังกันเราต้องวางความคิดนั้นลงนะแก็เปิดใจฟังความขัดแยง้งหรือว่าความทุกข์ บ่อยครั้งเนี่ยมันแก้ปัญหาได้โดยเพียงแค่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งตั้งใจฟังเพียงแค่ได้ได้ได้ไ ด, ไ ด, ได้เพียงแค่ฝ่ายหนึ่งฟังหรือรับรู้ความทุกข์เนี่ยก็ช่วยได้แล้วแต่บางทีเนี่ยเราเนี่ยไม่เปิดใจฟังรับไม่บางทีเราเราเรา เราคิดแต่จะไปพูดไปแทรกไปสอนนะซึ่งมันไม่ช่วยทำให้ความทุกข์ของเขาเนี่ยที่คลายลงได้อันนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องความขัดแย้งนะแต่ว่าไอ้การที่การเปิดใจเปิดเปิดใจฟังนนเนี่ยมันนอกจากจะช่วยลดวยความวิวาทบาดหมา ก, กันแล้วเนี่ยมันยังสามารถจะช่วยทำให้เกิดความเกิดความเป็นการช่วยเยียวยา จิตใจของกันแัะกันได้มีคนมีพี่อุม๋มแกเป็นมะเร็ง น, นะแล้วก็ก็ผ่านการฉายแสงผ่านผ่านผ่านการฉีดเคมโมตามคอร์สครบถ้วนแต่เธอก็ยังบน่นว่าปวดปวดปวดมากแต่หมอโรงพยาบาลสังเกตัเวลาเธอ เวลาเธอเดินเถื่อนเนี่ยนะเหมือนคนปกติเลยวันหนึ่งพยาบาลก็เลยลากเก้าอี้มาแล้วก็นั่งคุยกับเธอเธอพียอคนไข้เป็นชั่วโมงเลยนะแต่ส่วนใหญ่คนไข้เป็นคนระบายเป็นคนพูดพยาบาลไม่ได้ทำอะไรนอกจากนั่งฟังทีที่เธอระบายเนี่ยหนีไม่พ้นเรื่องสามีเรื่องลูก น้อยใจเสียใจเพราะว่าไม่มาดูแลไม่ยันขังขังขอบเธอเลยนก็ระบายระบายพยาบยาลก็นั่งฟังไม่สอนไม่แทรกไม่สอนไม่ขัดแต่ฟังด้วยความตั้งใจรับรู้ความทุกข์ของเธอเห็นใจพอจะระบายจบเนี่ยเป็นชั่วโมงนะบอก็ว่าความปวดทั้งเธอนี่มันทุกขเราเลย พวกเราโดยที่พยาบาลไม่ได้ให้ยาพยาบาลไม่ได้ทําอะไรเลยไม่ได้แนะนำอะไรด้วยแต่เพียงแค่ฟังอย่างเดียวเนี่ยมันช่วยคนไข้คนนั้นมากแสดงว่าความปวดของเธอเนี่ยมันไม่ใช่ปวดกายมากเท่ากับปวดใจปวดใจกพรความกลัวเพราะควา ม, มน่าทําใจการฟังเนี่ยมันเป็นการเยียวยาที่ดีวิธีหนึ่งนะ ถ้าเราใช้วิธีนี้เยียวยาเยียวยาความทุกข์ของผู้อื่นเยียวยาความทุกข์ของคนที่เราลักก็ได้ไม่ว่าคนนั้นเนี่ยเขาจะมีเรื่องบาดหมาง ก, กับเราหรือเปล่ายิ่งกับคนที่บาดหมาง ก, กับเราเนี่ยถ้าเราเป็นฝ่ายฟังบ้างแล้วฟังเนี่ยไม่ได้ฟังไม่ได้ฟังด้วยไม่ได้ฟังไม่ได้ฟังคำพูดของเขา ไม่ได้ฟังแค่เหตุผลของเขาหรือถ้อยคำของเขาแต่ฟังเปิดใจรับรู้ถึงอารมณ์ของเขาด้วยจะช่วยได้เยอะมีเพื่อนของนึงเขาเล่ายฟังว่าเธอก็ทำงานมูลนิธินะเกี่ยวเรื่องการปฏิบัติธรรมถ้าเอ่ยชื่อคนคนก็คงจะรู้จักนะเพราะว่ามีบทบาทมากในเรื่องการ จัดคอสปฏิบัติธรรมคนเป็นร้อยงานแบบนี่ต้องใช้อาสาสมัครใช้จิตอาสาเยอะจิตอาสานี่หลายคนก็เป็นคนที่มีการศึกษาเป็นคนที่มีอายุปารถนาดีไฟ่ไฟธรรมะก็มีผู้โอุปสมท่านหนึ่งนะก็มีความคิดดีๆหลายอย่างก็พยายามพูดพยายามแนะนำทีมงานกรรมการมูลนิธิแต่ก็พบว่าสิ่งที่แนะนาไปเนี่ยก็ไม่ค่อยได้เอาไปปฏิบัต พอมีการประชุมทีมงานน ะ, ะผู้ใหญ่ท่านนี้ก็ก็พูดนะวิพาษวิจารณ์คณะทำงานว่าทำไมไม่ไม่ปรปับปรูไม่แก้ไขทำให้มีปัญหาต่างๆมากมายเพื่อตมาซึ่งก็เป็นหนึ่งในทีมงานก็ยอยากชี้แจ ง, ยงพยายามอธิบายว่ามันทำไม่ได้เพราะอย่างวู้นอย่างนี้ แต่ไม่ได้ช่วยให้ ร, รยากาศดีขึ้นไม่ได้ช่วยทําให้คุณผู้ใหญ่ท่านนั้นเนี่ยรู้สึกดีขึ้นก็ขึ้นมาพูดมาตโต้เพื่อตอมาก็ก็ไม่ได้อารมณ์เสียนะแต่ก็พยายามชี้พย า, ยามลุกขึ้นมาชี้แจงด้วยเหตุด้วยผลแต่ครั้งที่สองเนี่ยนะก็มีผู้ก็มีเพื่อนรุ่นพี่ก็จับที่หัวหลเหมือนคล้ายๆเตือนเตือนว่ า, าเดี๋ยวเดี๋ยวผม เดี๋ยวผมพูดเองสิ่งที่เขาพูดเนี่ยนะมันช่วยทำให้บรรยากาศดีขึ้นทำให้ความขุนเคืองใจของผู้ใหญ่ท่านาสงบลงเพราะไม่ได้พูดไม่ได้อธิบายว่าทำไมถึงทำไม่ได้อย่างที่ท่านแนะนำแต่บอกว่าเนี่ยบอกบอกว่ารับรู้ถึงความไม่สบายแต่รับรู้ถึงความทุกข์ใจนะของของคุณลุงท่านนี้นะเพราะว่าท่านก็ทําถึงความปรารถนาดีนะ แต่พอพอไม่พอไม่ได้มีการปฏิบัติตามก็ย่อมมีความทุกข์ใจเพราะว่าเพียงแค่พูดเท่านี้เนี่ยนะคนผู้ใหญ่ท่านนั้นก็สงบสงบไม่ได้เพราะว่าได้รับฟังเหตุผลที่ที่ดีแต่สงบเพราะว่ารู้สึกสบายใจที่ความทุกข์ความไม่พอใจของตัวเองเนี่ย เป็นที่รับรู้อันน้นเป็นบทเรียนที่ดีนะของเพื่อนอตมาว่าให้การฟังนี่นะเราไม่ควรจะฟังเฉพาะแค่คำพูดหรือเหตุผลแต่ควรรับฟังสิ่งที่อยู่เบื้องหลังคำพูดรับฟังอารมณ์เธอรู้สึกว่าเธอใช้ความคิดมากไปแต่ว่าใช้ใจน้อย การฟังเนี่ยมันไม่ได้ฟังฟังดยหูไม่ไฟังโดยใช้ความที่อย่างเดียวต้องฟัง้วยใจใจที่ว่างก็สามารถจะรับรู้ถึงความทุกบางทีสิ่งที่พูดมาเนี่ยเราไม่ยังสิ่งที่อีกฝ่ายหนึ่งพูดมาเนี่ยเราไม่ยังไม่ต้องหาเหตุผลมามามาชี้แจงเลยว่าสิ่งที่อีกฝ่ายนึงเขาทุกเนี่ยเขาไม่ได้ทุกเพราะว่าไม่เขาไม่ต้องการเหตุผลแต่ก็ต้องการ ให้เราได้รับรู้ถึงความทุกข์ของเขาไอ้ความขัดแย้งระหว่างสามีภรรยาเนี่ยบ่อยครั้งเนี่ยมันมันแก้ไขไม่ได้หรือลุกลามห่อยไปเพราะาอีกฝ่ายต่างชักยามใช้เหตุผลยามใช้เหตุผลในการที่จะชี้แจงหรือว่าอาจจะแก้ตัวแต่สิ่งที่หายไปคือการที่เปิดใจรับรู้ถึงความทุกข์ของอีกฝ่ายหนึ่ง ให้ความทุกข์หรือความความห่วงใยเหล่านี้เนี่ยมันอาจจะไม่แสวด้วยความพูดนะแต่ว่าเพียงแค่เรารับรู้มันก็ช่วยทำให้บรรยากาศดีขึ้นการที่รับรู้ได้นี่มันมันเป็นเรื่องของการใช้มันไม่ต้องเป็นอารมณ์ที่สงบ มีคุณหมอท่านหนึ่งคุณมหมอเกษตรผลิตผการเปลี่ยนเป็นหมอด้านจิ ต, จตวิทยาจิตแพทย์ท่านบอกว่าเวลาสามีภรรยาทะเลาะ ก, กันเนี่ยอย่าใช้เหตุใช้ผลให้ใช้อารมณ์เข้าใจนะฮะอารมณ์ไม่ใช่เหมือนมายถึงอารมณ์ความรักความเมตตาซึ่งอาจะรมถึงอารมณ์ที่พร้อมจะอารมณ์ที่ว่างที่พร้อมจะรับฟังอารมณ์ให้ฟัง การใช้เหตุใช้ผลในส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นการใช้เพื่อปกก้องตัวเองหรือใช้เพื่อกลาฟฟ่าวหาอีฝ่ายผิดสังเกตในเวลาขัดแย้งกันเนี่ยเหตุผลที่ใช้เนี่ยใช้เพื่อปกก้องตัวเองหรือทิ่มแทงอีฝ่ายหนึ่งหรือว่าโทษอีฝ่ายหนึ่งซึ่งไม่เป็นเช่นน้นอีฝ่า ย, ยก็ย่อมตอบต้านย่อมต่อสู้ยอ่อมโต้กลับและยิ่งต่างฝ่ายต่างใช้เหตุผลเพื่อที่จะยืนยันความถูกต้องและ ชี้ผิดของอีกฝ่ายมันก็ยิ่ให้เกิดความไม่พอใจมากขึ้นดังนั้นอาตมาคิดว่าที่คุณหมอพูดเนี่ยน่าสนใจทีเดียวนยแล้วก็น่าใช้เป็นหลักได้คื อ, อยาเอาเหตุเอาผลอยากใช้เหตุใช้ผลใช้อารมณ์หลวงพ่อออาตมาหลวงพ่ อ, ขอเขียนต้องใช้ก็ว่าอย่าเอาผิดเอาถูกอย่าเอาผิดเอาถูกเพราะว่าในความขัดแย้งเนี่ยทุกฝ่ายจะพยายามยืนยันว่าฉันถูกอีกฝ่ายผิด ซึ่งเปไ็เรื่องอัตตาแท้ๆเลยแลวทั้งหมดนี้ใช้เหตุผลเป็นตัวนไม่ได้ใช้ใจใช้สมองแต่ไม่ใช้หัวใจอตาตมาคิดว่าบางครั้งเนี่ยบ่อยครั้งเนี่ยเราใช้สมองให้น้อยลงใช้หัวใจให้มากขึ้นหัวใจที่มีสติหัวใจที่รู้ทันใจที่มีสติใจที่รู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นรู้ทันความคิดที่เกิดขึ้นแล้วก็วางมานลษบ้า เพื่อใจของเราจะได้ว่างบางครั้งการเอาผิดเอาถูกก็ไม่ช่วยนะมีสามีภรรยาคู่หนึ่งนะสามีเนี่ยนะเป็น อ, อยู่บ้านจัดสรรริมชานเมืองสามีเนี่ยชอบตกปลาภรรยาก็เป็นคนฝ่ายธรรมะก็พยายามขอร้อง สามีว่าอย่าตกปลาเลยมันบาปก็พยายามพูดอยู่นานในสุดสามีก็ยอมก็ยอมว่าอไม่ตกปลาแล้วเลิกแล้วแล้ววันหนึ่งภรรยาก็ไปสา ม, มันานต่างจังหวัดไปรู้สึกจะไปไปวันศนะุกร์นะจะกลับกลับวันอาทิตย์ใช่ไหม พอภรรยาไปสัมมนาต่างจังหวัดสามีอยู่คนเดียววันศุกร์ก็ไม่มีอะไรนะแต่ว่วันเสาร์เนี่ยได้เสียงปลามันกระโดดนะในสระข้างๆบ้านก็ชักจะอดห้ามใจไม่ได้ห้ามใจอยู่นานนะสุกก็ต้องยอมภ่ายแพ้เอาเบ็ดแล้วก็เอาเหยื่อไปตกปลา ก็ไม่ไกลนะไม่ไกลบ้านเท่าไหร่บอกว่าขณะที่กำลังตกปลาอยู่เนี่ยภรรยากลับมาเลิกเร็วแทนที่จะกลับมาอาทิตย์กลับวันเสาร์ไปเห็นสามีกำลังตกปลาอยู่ถ้าเราเป็นภรรยานี่จะจะรู้สึกไงรสามีเล่รัลปลาไว้แล้วว่าจะไม่ตกปลา ภรรยาแานที่จะไปต่อว่าสามีนะว่าทำไมเธอทำอย่างนี้รับปากกับฉันแล้วภรรยาไม่ไ ม, ไม่ไม่พูดภรรยาถามว่าพ่อพ่อทำอะไรสามีก็บอกว่าบอกอะไรสม่างนะกำลังเอาไส้เดือนไปฝึกว่ายน้ำโอ้โหตกปลาอย่างนี้เล้อย่างตอบหน้าด้านๆว่าเอาเอาเอาเอาไส้เดือนไปฝึกว่ายน้ำนะ ภรรยานะีถ้าจะเอาผิดเอาถูนะมันก็ต้องประว่าสามีเลยว่าพูดอย่างนี้ได้ยังไงเห็นอยู่ต้องๆว่า ต, ตกปลาภรรยาปลาเลยพยายามบอกว่าพ่อฝึกฝึกฝึกใส้เดือมมนว่ายน้ำหนานแล้วนะมันหนาวแล้วเอามันขึ้นมาเถอะแล้วกลับบ้านกันเรื่องนี้คิดว่าเป็นไงจบดีไหม แต่ถ้าเกิดว่าภรรยาเนี่ยว่าสามีว่าเนี่ยรับปากแล้วว่าจะไม่ตกปลาเลยทาไมยังตกอยู่หรือผู้ว่านี่ตกปลาอยู่ชัชน้นชยังมากระล่อนอีกว่าเอ า, อาใส่เดินมาฝึกว่ายน้ำถ้าพูดแบบนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องน่เพราะสามีก็ต้องตอบโต้อาจจะตอบโต้เรื่องของฉันเธอมายุ่งอะไรกับฉันหมหนักหัวเธอหรือไงก็ไม่จบ เมื่อต่างฝ่ายตางจะเอาถูกเอาผิดกันนะไม่จบฮนะแต่ถ้าเกิดว่าแต่ภรรยาคนนี้แกก็เป็นคนที่เรามี EQ นะฮะก็รู้หลักจิตวิทยาว่าถ้าไปถ้าไปยันถ้าไปยันสามีเนี่ยสามีก็ต้องเถียงแล้วก็เรื่องใจไม่จบก็เลยก็เลยพูดนะแล้วการพูดก็มีผลนะก็คือว่าเออเป็นนั้นว่าสามีก็ยอมรับได้นะว่าเออได้เวลาเลิกตกปาลาแล้ว สามียอมยอมตามของยอมตามคําภรรยาเพราะภรรยามีวิธีพูดไม่ได้เอาผิดเอาทูนะแต่ยอมรับรับรู้ถึงความรับรู้ถึงความรู้สึกของสามีว่าสามีอาจจะ ก, กลัวเสียหน้าหรืออะไรก็แล้วแต่ก็สามารถจบลงได้ได้ดีโดยที่สามีก็อยู่ตกปลานะอานตมายคิดว่าเนี่ยมันมันถ้าว่าเราไปเอาผิดเอาถูกันนะ เอาเหตุเอาผลบางทีมันก็ไม่จบมันก็ยืดเยือ้อแล้วความผัดแยง้งทุกวันนี้เนี่ยไม่ว่าในระดับไหนก็ตามเนี่ยเป็นเพราะว่าบุ้งจเจ้าเหตุเอาถูกกันมากจนลืมรับรู้ถึงความรู้สึกของอีฟานมาว่าไม่ว่าเราซึ่งเป็นเพื่อโรงงานหรือเป็นพ่อแม่หรือเป็นสามีภรรยาหรือเป็นพ่อแม่ ใ้การที่มีสติรู้ทันความคิดและอารมณ์ของเราเนี่ยมันสำคัญมากมันไม่เพียงแต่ช่วยนะในเรื่องการงานที่ทำให้เราทำงานยังมีความสุขไม่เครียดไม่กังวลไม่วิตกแต่มันช่วยเรื่องความสัมพันธ์และมันช่วยทำให้เราเนี่ยนะฟังการและกันมากขึ้นไม่ใช่ฟังเฉพาะสามีภรรยาหรือคน ที่อยู่ระดับเดียวกับเราการฟังลูกนะก็จะเกิดขึ้นได้ง่ายความขัดแย้งระหว่างพ่อแม่กับลูกนะบ่อยครั้งเนี่ยเกิดจากการที่ไม่ฟังกันลูกก็พ่อมักจะพูดแม่มักจะพูดว่าลูกไม่ค่อยฟังพ่อแม่แต่ถ้าเราไปดูจริงๆเนี่ยเราจะพบว่าทั้งหมดนี้เริ่มต้นยากการที่พ่อแม่ไม่ค่อยฟังลูก โดยเฉพาะพ่อแม่เนี่ยเวลาเห็นลูกไม่ถูกใจทําอะไรไม่ถูกใจก็มักจะใช้อํานาจเพ่อลูกเพราะพ่อแม่พ่อแม่คิดว่าลูกรู้ดีเท่าพ่อแม่ไม่ได้พ่อแม่รู้ดีกว่าลูกเพื่อตมาเนี่ยมีลูกตัวเล็กๆนะสามสี่ห้าขวบแล้วเธอก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะเฮียบมากเธอก็เป็นคนที่เรียกว่าสร้างเนือสร้างตัวกับตัวเองเรียนจบวิศวะ เป็นผู้หญิงนะแล้วก็เรียนโทนะทั้งที่ตอนเด็กๆนี่เกเรมากแต่ว่าสามารถที่จะเรียกว่าเปลี่ยนเนื้อเปลี่ยนเปลี่ยนจิต เ, เ, เปลี่ยนใจขยันเรียนจนกระทั่งเรียนได้สูงความมีลูกเนี่ยนะก็ก็พยายามที่จะควบคุมบังคับลูกตามสไตล์ของตัวเองถ้าลูกไม่ทำ เธอก็ว่าบางทีก็ตีแล้วเธอก็ไม่ค่อยได้สนใจความรู้สึกแลมุมมองของลูกเท่าไหร่ตอนที่ลูกเล็กๆ เ, เนี่ยลูกเกลียนโรงเรียนมากเนะบางทีแค่จะไม่ทันจะไปโรงเรียนเนี่ยลูกก็มีอาการอ้วกมีอาการมีอาการกระสับกระส่าย แม่ก็คิดว่าลูกเนี่ยสำออยหรือว่ามางทีก็คิดว่าไม่มีอะไรแต่ตอนหลังเนี่ยเธอก็ได้เรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับแารมาสนใจธรรมะหันมาเห็นความสำคัญของการที่มีสติการไม่ด่วดสรุปการรับฟังการรู้ท่าทานความผิดของตัวเองทั้งหมดนี้มันช่วยทำให้เธอเนี่ยหันมา ไม่เพียงแต่รับฟังไม่เพียงแต่รู้ทันความคิดของตัวแต่ว่ารับฟังลูกมากขึ้นไม่หมวนสรุปนะพวก น, นคือมันทำให้เธอมีอุเบกขาอุเบกขามากขึ้น <c oughs> เวลาลูกทําอะไรไม่ถูกเนี่ยนะเธอก็จะไม่ไม่รีบไม่รีบพูดทันทีแต่ว่าจะดูสักพักแล้วก็จะถามจะจะถามลูก พอเธอฟังลูกมากขึ้นเนี่ยนะให้ความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับลูกก็ค่อยเริ่มเปลี่ยนแปลงไปวันหนึงเธอไปส่งลูกเนี่ยลูกก็โตขึ้นมาแล้วสร้างห้า s e ัวส่งลูกไปโรงเรียน จ, จู่ๆลูกก็เล่าให้แม่ฟังนะว่าที่โรงเรียนเนี่ยมันมีปัญหาอะไรบ้างครูชอบใช้อำนาจครูชอบทุกโต๊ะ ก็ครูไม่ชอบนักเรียนคนไหนก็ไม่ทําไม่ชอบนักเรียนก็จะให้การบ้านเยอะๆอะไรเนี่ยลูกก็ยังเล่าถึงนักเรียนเพื่อนร่วมแก๊งเพื่อนร่วมชั้นนะที่ตัวโตกว่าก็ชอบแจ้งแจ้งรุ่นน้องอลูกก็รั่งครูมาเกี่ยวกับปัญหาในโรงเรียนซึ่งที่จริงก็ผ่านไปนานแล้วนะแต่ที่ที่ลูกพูเข้าลูกเนี่ยรู้สึกไม่ค่อยสบายใจกับการไปโรงเรียนเพราะมีปัญหาอะไรอย่าง มีประโยคน์หนึ่งแม่ก็ถามลูกว่าเรื่องนี้มันก็เกิดขึ้นมานานแล้วนะทำไมลูกเพิ่งมาเล่าให้แม่ฟังตอนนี้ลูกก็บอกว่าก็เพราะตอนนั้นเนี่ยแม่ไม่เคยฟังเลยแต่ตอนนี้แม่ฟังแล้วปันก็เลยพูดให้ให้แม่ฟังก่อนหน้านั้นเนี่ยนะเธอเคย ลูกชายเนี่ยเคยเคยพูดกับแม่เคยโกรดแม่มากเนีเวลาทํำอะไรแล้วแม่แม่โกรธแม่ว่าเนี่ยเพราะชอบจำที่จำชัยลูกก็จะพูดกับแม่หรือพูดกับเพื่อนให้แม่ได้ยินว่าอาจจะรู้พูดกับพูดกับแม่บอกวาเนี่ยสวยจังเลยที่เกิดมาเป็นลูกของแม่พอแม่ได้ยินก็ยิ่งโกรธแต่ในใจก็สุเสียใจแต่พอหลังจากหลังจากแม่เริ่มฟังลูกมากขึ้นมากขึ้นเนี่ย ไอช่วงนั้นแหละที่ที่ที่ลูกชายพูดกับแม่วันนี้นะบอกว่ารูว่าโชคดีปันนะ่็โชคดีนะที่เป็นลูกของแม่ไอความสุดมันเปลี่ยนไปเลยนะอะไรที่ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงนะอาตมาคิดว่าเหตุผลก็คือเหตุผลสาคัญคือว่าการที่แม่เริ่มฟังลูกแล้วก็รับรู้ถึงความทุกข์ของลูกนะให้การการที่จะฟังได้เนี่ยมันต้อง มันต้องมีต้องอาศัยใจที่นิ่งพอสมควรเพราะว่าเวลาเราเห็นลูกทำอะไรไม่ถูกเนี่ยเรามักจะเรารีเรามักจะด่วนสรุปด่วนตัดสินซึ่งบางครั้งการด่วนการด่วนตัดการด่วนส่การด่วนตัดสินก็ทำให้เราเนี่ยรีบทำรีบพูดรีบกระทำโดยที่อาจจะไม่ได้ฟังเหตุผลของลูกจะเล่าว่า เธยลูกชายสองคนเนี่ยวันหนึ่งก็เธอก็พาลูกชายสองคนไปเที่ยวสวนให้ลูกชายไปเดินอยู่ข้างหน้าเธอก็ตามหลังลูกชายสองคนที่เราคุยกันดีๆนะแต่สักพักก็เห็นพี่ชายเนี่ยเหมือนกับว่าจะตีหัวน้องความสื่อของเธอทีแรกคือว่า แต่ว่าลูกแต่ว่าลูกจะว่าพี่ชายว่าทําไมแกล้ง น, อน้องแต่ว่าเธอก็หยุดสักพักแล้วก็ดูเธอรู้ทันอารมณ์รู้ทันความคิดแล้วเนี่ยมันจะมันจะมันจะไปวากันแล้วตามที่ใสแต่พอเธอรู้ทันเธอหยุดแล้วก็เธอก็ดูสักพักเพราะว่าได้ยินพี่ชายพูดกับว่ากําลังจะออกแล้วกําลังจะออกแล้วบอกว่าพี่ชายเนี่ยกำลังจะเอา เอามดนะที่อยู่ในติดอยู่ในผมของน้องเนี่ยเอาห่ อ, อมาพี่กําลังจะช่วยน้องแต่ถ้าเธอเนี่ยด่วนสรุปแล้วก็ด่วนทําตามที่คุ้นเคยเนี่ยเธอก็จะว่าพี่ทันทีเลยว่าทําไมชอบแจ้งน้องถ้าเราเป็นพี่เราจะรู้สึกอย่างไรเราต้องการจะเรากําลังจะช่วยน้องพอนกเพราะเพราะมดเนี่ยมันไปอยู่ในมนติในหัวน้องพี่ชายกำลังจะช่วยน้องเพราะว่าโดนแม่ดา่า นะเสียความรู้สึกเลยนะแต่ว่าเธอเนี่ยรู้ทันอารมณ์รู้ทันความคิดของตัวไม่ด่วนสรุปไม่ด่วนไม่ด่วนรีบไม่ด่วนพูดแล้วก็พบว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่เธอคิดที่ไม่ได้แกล้งน้องที่กลังช่วยน้องนะอันนี้แหละตามาคิดว่าในในการในการในความสัมพันธ์ไม่ใช่เพียงแต่การดาเนินชีวิต นั้นไม่เพียงแต่การทำงานเท่านั้นแต่ว่าในความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานกดีกับสามีภรรยาดีกับลูกในครอบครัว ก, ก็ดีเนี่ยการมีสติรู้ทันความคิดไม่ด่วนสรุปรู้จักฟังเปิดใจฟังนะมันมันช่วยได้มากทีเดียวและช่วยทำให้ครอบครัวภาสุขแล้วก็สามารถที่จะเป็นอ่เป็นแหล่งที่มาแหงความสุขที่ทาให้เราสามารถจะดำเนินชีวิตฝ่ฟาฟันอุปสรรคไปได้ มาก็ใช้เวลาพอสมควรแล้วนะก็ก็คงยุติเท่านี้ถ้ามีประเด็นไหนสงสยัยหรือไม่ชัดก็เชิญสักถามได้ มีเรื่องหนึ่งน ะ, ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับหลวงปู่ดูลหลวงปู่ดูลเนี่ยเป็ น, เ ป, นเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นคนแรกๆรลูกแรกๆวันหนึ่งเนี่ยก็มีหลวงตาท่านหนึ่งนะเอาชื่อว่าหลวงตาพรก็แล้วกันนะเป็นศิษย์ของท่านแล้วก็ไปอยู่อีกวันหนึ่งนะแล้วก็ไปปฏิบัติธรรมไปป ฏ, ปฏิบัติท่านนะไหนม่รู้จู่ๆก็เกิดอิปัสนันโแล้วก็คิดว่าท่านเนี่ยเป็นพระอาหารหันต์แล้ว ก็เลยแ บ, บกกรดมาเดินมปเลยนะเจ็ดสิบแปสิกิโลมาวัดบุรพารามมาถึงก็เรียกหลวงตาหลวงตาหลวงตาดูลซึ่งเป็นอาจารย์ท่านนะซึ่งเป็นอาจารย์ของหนะลวงหลวงหลงพอหลวงตาหลวงตามาฟังธรรมแล้วพูดสําเร็จมาแล้วพูดสําเร็จคือพระอารหันมาฟังท่านก็ไม่สลวงปู่หู่ก็ไม่สนใจนะแต่กแกก็ลบเล่าอยู่นั่นแหละ ลบล่าจกนกระทั่งหลวงปู่ดูลก็บอกให้ให้ไปพักอยู่ที่สาลาใกล้ๆแ่ก็ยังพยายามลบเล้านะลบเล้าที่จะมามาให้หลวงปู่ดูลเนี่ยมาฟังทำหลวงปู่ดูลเนี่ยถ้าไม่รังเกียจหรอกแต่ท่านเห็นว่านิพพานุขืนขืนคล้อยตามนี่ก็ยิ่งไปกันใหญ่แต่ว่าทํายังไงก็ไม่ได้ผลนะถึงจุดหนึ่งหลวงปู่ดูลีก็พูดขึ้นมาว่าไอ้สัตว์มาล นะออกไปได้แล้วนะอุ๊ยจะโกรธมากเลยนะหลวงตคอนโกรธมากเลยบอกไม่ฟังก็ไม่ฟังวะไปก็ได้ก็หยิบโกรธไปแต่ว่าอาลามที่โกรธมากแทนที่หยิบโกรธก็หยิบหยิบไม้เท้าไพอเดินไปสักพักพอไปถึงที่พักถึงค่อยรู้ตัวค่อยรู้ว่าวิปัสสนูที่รู้ตัวเพราะอะไร เพราะว่าความโกรธเนี่ะถ้าบอกความโกรธพอความโกรธมันเกิดขึ้นเนีมันไปกระแทกมันไปแทกมันก็ไปแทกกับไอ้ไอะไอ้ความไอ้ความหลงตัวลืมตนให้มันให้มันกระจายไปคือแบบนี้เนี่ยไอ้คนที่วิปัสสนูนบางครั้งเนี่ยมันต้องเจอความกลัวกระแทกนะถึงจะรู้สึกตัวว่าเพี้ยนไปนะความโกรธมีข้อดีตรงนี้เนี่ยคือมันมันช่วยทําให้เกิดความรู้สึกตัวได้นะ แต่ปกติเนี่ยความโกรธสาหรัคนทั่วไปมันทำให้ยิ่งหลงนะแต่คนที่หลงตัวลืมตัวเนี่ยบิงทีต้องเจอแรงเจอความโกรธกระแทกก็ไรก็จะทำให้อ่กลับมารู้สึกตัวใหม่นะอีกกรณีหนึ่งนะอันนี้อ่เป็นเรื่องที่เป็นเป็นเรื่องของเนงคนหนึ่งสมัยที่อยู่กับหลวงพ่อชา หลวงพ่อชาเนี่ยนะในเวลาวันพระเนี่ยนะเป็นประเพณีของสายวัดประพงที่พระเนี่ยจะบาเพ็ญเพียนชายคริยามุยโยนะรวมทั้งในสัตว์ชิกด้วยเนี่ยคือไม่นอนเนี่ยจนกระทั่งรุ่งเช้าระหว่างนั้นก็จะมีพระเทศพระ วันพระคราวนหนึ่งแนละ้วก็หลวงพ่อชาท่านขึ้นสรรมะเองเลยแล้วท่านเทศนานมากนะสามชั่วโมงตั้งแต่เที่ยงคืนบ้างอยู่ตีสามเน้นรุ่มหนึ่งก็นั่งฟังฟังไปก็ฟังไปก็เบื่อไปเพราะนานเหลือเกินเมื่อไหร่จะจบสักทีเมื่อไหร่จะจบสักทีก็ บ่นเป็นภาษาอีสานเสาซะเสาซะเสาไป ว, สสาว่าหยุดหยุดสักทีหยุดสักทีฟังไปนะก็บ่นไปนะหยุดสักทีหยุดสักที <c oughs> นะแกมีความไม่พอใจส <c oughs> ักพักแกก็ได้คิดว่าทำไมเราบ่นให้หลวงพ่อชาหยุดทำไมเราไม่หยุดบน่นทำไมเราไม่หยุดเกิดทำไมเราไม่หยุดตายทำไมเราไม่หยุดฟุง้งซ่านคือที่แรกเนี่ย กินมาเป็นเพ่งที่ผมว่าเช้าว่าเมื่อไหร่จะเลิกสักทีเมื่อไหร่จะเลิกสักทีแต่ถาพ่อได้สติกลับมาดูจะว่าเมื่อไหร่จะหยุดบนสักทีเมื่อไหร่จะหยุดอทำตามกิเหลืสักทีเมื่อไหร่จะหยุดฟุ้งซ่านสักทีพอได้สติเั้นนี้เนี่ยนกะ็กลับมาอยู่กับตัวเองแล้วก็เริ่มตามล ม, มหายใจ ระหว่างตาลงหายใจเขาออกเนี่ยก็บริกรรมด้วยควํ า, าว่าเสาร์เสาเอาคําบนนี่แหละนะมาเป็นคําบริกรรมบอกว่าจิตเขาค่อยสงบค่อยสงบสงบนะเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ไม่รู้เปิดตาขึ้นมาพรากาสวานนะ่างดูนาฬิการปรากาเป็นเวลาสิบโมงเช้าตีสามนะถึงสิบโมงเช้านะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ขยับเลยเนี่ยก็ใช้ใช้ไอ้ความหนุนยิดเนี่ย ความหมุดหยิดที่เกิดขึ้นเนี่ยมาเป็นเครื่องมือนะในการบริกรรมตัณหาก็ใช้ได้นะหลวงมีคนมาบวชกับหลวงพ่อพุทธานิโยหลวงพ่อพุทธนี่ท่านก็ดีเจ้า ว, ว่าประาทสารวัตรท่านมรณพไปสิกปีแล้วนะหลวงพ่อท่านก็สอนสอนบริกรรมด้วยพุโทโธหายใจก็คือหายจออกโธ มีภาพบวใหม่พระนวกกาลุ่มหนึ่งเนี่ยบอกว่าบริกรรมไม่ได้เลยอย่างที่หลวงพ่อบอกเพราะว่ามันนึกถึงแต่แฟนต้องเลยถามว่าแฟนชื่ออะไรอสมมติว่าชื่อสมทรงก็แล้วกันนะระหว่าง้เอาเอาสมทรงนี่แหละมาบริกรรมหายใจเข้าสมหายใจออกทรงได้ผลนะสงบเลยนะคือเนี่ยคือปฏิบัติธรรมมันไม่มีรูปแบบไม่ใช่าปฏิบัติธรร ม, มต้องพุทโธพุทโธนะ แม้กระทั่งเอาชื่อแฟนเอาชื่อคนที่เราลักเนี่ยคิดถึงเนี่ยเอามาเอามาใช้ก็ได้อันนี้เป็นอุบายนะครูบาอาจารย์ท่านที่ท่านฉลาดนี่ท่านก็จะใช้อุบายเอากิเลสเนี่มาลอ่อเอากิเลสนี่มาใช้เพื่อเพื่อเพื่อการฝึกจินฝึกใจก็ได้มันมีเรื่องแบบนี้เยอะนะในสาวพุทธการก็ดีในกระทั่งในครูบาอาจารย์รูปปัจจุบันท่านที่ฉลาดนี่ท่านก็จะไม่ไม่ไม่ติดรูปแบบ หลวงปู่ขาวนี่ท่านมีเหตุการณ์ตอนหนึ่งมีเด็กแม่พาเด็กอายุสามสี่ขวบมามาถวายจังหันมาถวายสายบาดกับท่านเลยนะตอนนั้นวัดหลวงปู่ขาวก็ไม่ได้ไม่ได้มีคนเยอะเท่าไหร่เมือเด็กมาก็เห็นในบาด ท, ท่านเนี่ยมีมีเงาะมี ง, ม ง, อ, มงอที่ปลอกเลยนะขาวๆสวยๆเนี่ยวางอยู่บนฝาบาดเด็กเห็นเด็กก็อยากกินนะ หลวงปู่ขาวก็บอกว่าอยากกินใช่มหมเพก่อเด็กนะถ้าอยากกินต้องก็ได้นะแต่ต้องแรกกันนะทําสมาธิแรกกันแล้วท่านก็แนะนําให้เด็กทําสมาธินั่งหลับตาอย่างที่นั่งหลับตาแล้วก็แล้วก็ให้นึกถึงเงาะนะบริกรรมว่าหมากง้อหมากง้อให้เด็กตอนแรกทํามันก็น้ำลายหลยนะนึกถึงหมากง้อน้ํำลายก็หลาย แต่ว่าทํบายธรรจิตสงบนะจิตสงบมาเด็กมารู้ตัวอีกทีนะปรากฏว่าบ่ายแล้วนะได้ยินเสียงะระฆังตีเรียกพระมาทำงานบ่ายสามเด็ <c oughs> กนั่งเนี่ยตั้งแต่แปดโมงถึงบ่ายสามนะเพราะว่าเอกอยากกินเงาะเนี่ยนะนนอยากอยากกินเนี่ยคือตัณหาใช่ไหม แต่เพราะว่าพอตันหานี่มาใช้เนี่ยมันทําให้ใจเนี่ยเป็นสมาธิได้เนาเอาเอาวอ า, อาวัตถุแห่งตันหานั่นแหละวัตถุที่ยากยคืองอกเนี่ยมาบริกรรมนั่นนี่เราสอนลูกได้นะทั้งหมดเนี่ยมันเราเราเร า, เราเอามาใช้กับตัวก็ได้ใช้กับลูกก็ได้ถ้าเราใช้เป็นนะมีประโยชน์จริงจริงกิเลสมานสอนเะไรได้อีกเยอะเลยนะสอนตายรักให้กับเราก็ได้ถ้าเราดูกิเลสเป็นความกลัวก็ดีความอยากก็ดี มาเป็นเรื่องของอุ ก, กุสโลบายการใช้ปัญญาและสติอันนี้เป็นตัวอย่างนะฮะ เ, เรื่องปฏิบัติธรรมสซก็คือไม่มีรูปแบบนะเราต้องฉลาดใช้ จะอ่านให้ออกมั้ไม่มีลมไอ้ไม่มีแว่นไอ้เดี๋ยวเดวอะอ่านคำถามเห็นไหมอ่านถามเลยนะตารางไม่มีแว่นวันายุการคือความสุขให้คนในชาติวันอายุที่มีการจัดระเบียบแลกวาล้างสิ่งผิธีฉนการิัทรลุนคนต่าง จากการเดียวกันเสมอทีว่าการแสดงความเห็นทางการเมือก็จะถูกควบคุมไปด้วยอยากกลัเรียนถามอาจารว่าการที่ฝ่าคมไทยจะเข้าไปถึงจุดพูดที่ภาวะประชาธิปไตยสมองสมามารถแสงความเห็นได้อย่างเสรีแต่ไม่ละเมิดกฎหมายได้ทําในสิ่งที่ชั่วร้ายอะไรอย่างที่เห็นแปลกใจเรื่องนั้นบ้างครับจริงๆถ้าพูดถึงว่าพัฒนาการของสังคมประชาธิปไตยที่เราเห็นในปัจจุบันนะที่เขามีความ มันคงเข้มแข็งพอสมควรเขาเพบว่าก่อนที่จะมีระบบที่เรียกว่าการเลือกตั้งนะมันมีสิ่งอื่นที่เป็นพื้นฐานรองรับก่อนเช่นระบบนิติธรรมเช่นการให้คุณค่ากับสิทธิเสรีภาพในการแสดงความเห็น <c oughs> รวมทั้งการมีระบบกฎหมาย นะที่คนเนี่ยเชื่อฟังปฏิบัติตามอย่างเช่นอังกฤษเนี่ยนะอังกฤษเนี่ยระบบเลือกตั้งมันก็มาทีหลังนะแต่ว่าก่อนนั้นนั้นเนี่ยมันมีสถาปันที่เช่นสถาปนสารหรือแม้ทั้งสภาที่ประาํามารระหว่างที่คานํา น, นากันระหว่างกษัตริย์กับขุนนาง และต่อมาก็มีการข้าหน้าระหว่างกษัตริย์ระหว่างขุนนางกับประชาชนหรือชนชั้นกลางระบบนิติธรรมที่เข้มแข็งสิทธิเสรีภาพที่พัฒนาโดยพอกันให้ความสำคัญกับเสรีภาพทางาศาสนาและทางเสรีภาพในการในทางการเมือง โดมทั้งการเริ่มเคารพถึงความเสมอภาคของการแลกกันเช่นการที่ไม่มีระบบทาสไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นตัวรองรับที่ทำให้พอมีการเลือกตั้งเข้ามาเนี่ยมันก็ช่วยทำให้ประชาธิปไตยมีความมั่นคงอันนี้มันเป็นมันเป็นมันเป็น สิ่งมันเป็นความมันเป็นข้อสรุปที่เลื่อนไปที่ยอมรับ ก, กันในสังคมใดก็ตามถ้าหากว่าพื้นฐานยังไม่มั่นคงในเรื่องของสิทธิสริภาพเรื่องระบบนิติธรรมหรือเรื่องการคาดอำนาจกันระหว่างผู้เนียนหนาจในสังคมการที่เอาการเลือกตั้งเข้ามาทันทีเลยเนี่ย มีปัญหานะแต่มันก็ไม่ใช่เป็นสูตรสำเร็จเสมอไปน ะ, ะเพราะว่าอย่างญี่ปุ่นเนี่ยนะประชาธิปไตยมันก็เหมือนกับเป็นการลอกมาจากอเมริกาเลหลังสงครามโลกงที่สองแม c a r ์อาเธอร์เนี่ยเป็นคนเขียนรัฐธรรมนูญให้กับญี่ปุ่นเลยนะเป็นประเทศเดียวมั้งในโลกที่รัฐธรรมนูญเกิดขึ้นมาจากการเขียนของคนต่างชาตนะิคืออเมริกาที่เขียนให้กับ ญี่ปุ่นใช้เวลาไม่กี่เดือนยังเขียนเซ็นเลยทาให้มีการเลือกตั้งแบบอเมริกาแต่ว่าเขาก็มีรากฐานที่มั่นคงมาก่อนแล้วอาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องของเรษีเส ร, รีภาพแต่ว่าเรื่องของหลักนิติธรรมนะเขาก็ก็มาหรือว่าเรื่องของระเบียบวินัยเขาก็มีถึงแม้ว่าระบบการนำหน้าของเขาไม่เคยมีมาก่อนใน ในประเพณีของเขานะเพราะว่าโชกุนหรือว่าจากกักรพรรดิเนี่ยมีอำนาจเป็นโชกุนมีอำนาจมาก่อนแล้วก็ต่อมาก็จกกักรพรรดิแต่ว่าประชัยตายของญี่ปุ่นก็เรียกว่าพอไปได้นะถึงแม้ว่าการซื้อเสียงการการคอร์รัปชันของนักการเมืองมันยังมี ม, ง ม, มันก็ยังมีอยู่แต่ว่าก็เรียกว่าค่อนข้างจะราบรื่นพอสมควร ถึงม้จะไม่ดีนักแต่ก็ดีกว่าระบบที่เคยเป็นมาอาตมาก็มีความหวังนะว่า เ, เมืองไทยเราจะมีพัฒนาการมากขึ้นนะในเรื่องของการเคารพสิท ธ, ธิและการให้ความสำคัญกับเสรีภาพนะของผู้คนแต่ตอนนี้เท่าที่เห็นนะมันยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพราะว่าอย่างที่อาตมาพูดเมื่อสักครู่ว่า การยอมรับความเป็นที่แตกต่างกันมันมันมีน้อยมากแต่นั่นก็จะเป็นช่วงเวลาเป็นช่วงเวลาเป็นช่วงหนึ่งของสังคมซึ่งมันมีวิกฤตก่อนที่เยอรมันจะมีประชาธิปไตยที่มันม่นคงก็เคยผ่านเหตุการณ์ที่เลวร้ายมาแล้วนะสมัยฮิตเลอร์ซึ่งผู้คนเนี่ยมีความเห็นที่ที่เลวร้ายมากนะคือความสุดลังเกียดเยียดผิวลังเกียด์ังเกียดเยียดพวกคนยิว ถึงขั้นที่เรียกว่าฆ่าฟันกันเอาสนับสนุนการเอาคนเยอรมันไปไปที่งขาศัให้ศูนย์เผาพันคนเยอรมันก็เคยคิดแบบนี้มาแล้วนะใครที่คิดต่างจากคิดเลิกใครที่คิดต่างอย่างนาซีก็ยังเป็นไปที่ไม่จะเป็นคนเยอรมันก็ตามใครที่เป็นโฮโมเซ็กชวลหรือว่าใครที่เป็นคนอย่างเช่นเช่นพวก พวกยุคสี่นะก็หรือพวกคนพิการพวกคนสมองเสื่อมก็ถูกกําจัดมันเคยมีความลังเกียจขนาดนั้นมาแต่นั่นก็เป็นช่วงช่วงเวลาที่ผู้คนได้สูตรบทเรียนว่าไอ้ความคิดแบบนี้เนี่ยมันจะทําลายสังคมเยอรมันแล้วก็ทําลายเผ่าพันธุ์ทำลายอารยธรรมได้เขาก็สรุรบทเรียนแล้วเขาก็เดีรู้ที่จะไม่เป็นอย่างนั้น ตอนนี้เยอรมันก็มีประชาธิปไตยที่ก็เรียกว่ามั่นคงพอสมควรทั้งๆที่เมื่อ70ปีก่อนนี่มันแย่มากแม้แตมาคิดว่าเมืองไทยตอนนี้เนี่ยจะว่าไปก็ไม่ได้เลวร้ายอย่างเยอรมันในสมัยฮิตเลอร์เพราะนั้นเนี่ยการที่เราจะมีประชาธิปไตยที่มั่นคงหรือว่าประชาธิปไตยที่ไม่เพียงที่สามารถจะเกิดความสมดุลระหว่างสิทธิเสรีภาพ กับการที่ผู้คนอยู่ในหลักนิติธรรมไม่ใช้เสรีเสรีภาพนในการเบียดเบียซึ่งการละกันแล ะ, และผู้ปกครองก็ไม่ใช้อำนาจในทางผิชอบมันก็น่าจะเกิดขึ้นได้เป็นอนุาช่วเป็นเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นความหวังนะซึ่งมันก็ไม่ไกลเกินฝันถ้าเรามองจากประสบการณ์ของน า, นานาประเทศ ถึงแม้ตอนนี้เนี่ยจะมีการควบคุมสิทธิเสรีภาพ น, นะแต่มาเชื่อว่าทําได้ไม่นานเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยต้องการปรารถนาสิทธิเสรีภาพ น, นะอย่างน้อยสำหรับตัวเองสิ่งที่ต้องมีต่อไปคือว่าการเคารพสิทธิเสรีภาพของคนอื่นนะซึ่งก็น่าจะเกิดขึ้นได้ถ้าหากว่าเราเรียนรู้สรุปบทเรียนว่าถ้าเราไม่เคารพสิทธิเสรีภาพของคนอื่นแล้วเนี่ยมันเกิดความหายนะอย่างไรบ้าง ไม่ต้องร้อยให้เกิดไทยชนแบบเยอรมันในสมัยนี้ น, นาซีฮิตเลอร์นะอตาตมาว่าเป็นไปได้แต่ว่าทุกสังคมนะมันต้องผ่านความเจ็บปวดกว่าจะพัฒนามาสู่ความสงบสุขได้เพียงแต่ว่าจะผ่านความเพียงแต่ว่าขอให้ช่วยกันรักษา ป้องกันไม่ให้ความเจ็บปวดมันดีนยาหรือว่ามันมันมากมายมอในแง่นี่สิ่งที่เกิดขึ้นกับเมืองไทยในช่วงเจ็ดแปดปีที่ผ่านมาเอาว่าสิบปีแล้วกันนะรวมถึงเหตุการณ์นในภาคใต้นะอัมตมาก็ถือว่ามันเป็นช่วงช่วงเปลี่ยนผ่านที่จะนำไปสู่สังคมที่ที่ดีขึ้นมั่นคงขึ้นทุกครั้งที่มีความ คือช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนผ่านนะั้นมันจะปวดเสมอนะถึงแม้ว่าความเปลี่ยนแปลงมันจะเป็นความเปลี่ยนแปลงที่ดีแต่มันต้องผ่านความเจ็บปวดเสมอเด็กทารกเมื่อจะออกมาสู่โลกกว้างนะช่วงที่เจ็บปวดคือช่วงไหนฮะอยู่ในท้องแม่สบายไหมสบายแต่ว่าตอนที่จะปวดคือตอนคลอด เด็กไม่อยากออกมานะฮะทั้งที่แม่บอกว่าให้ข้างนอกสบายกว่าข้างในนะแต่เด็กอยากออกมาไหมเด็กไม่อยากออกเด็กอยากอยู่ข้างในเพราะธรรมชาติของมนเนี่ยต้องการสเตตัสควคือสถานภาพเดิมเด็กไม่ต้องการความเปลี่ยนแปลงทารกมันไม่ต้องการความเปลี่ยนแปลงเขารบอกกูจะอยู่ข้างในไม่ออกแต่แม่บอกว่าออกมาเถอะนะข้างนอกมันดีกว่าอยู่ข้างในอยู่ได้ไม่ได้ม่ได้นานนะไม่เกินสิบเดือนมันก็จะอยู่ไม่ได้แล้วต้องออก แม่บอกพ่อบอกแต่เด็กบอกไม่ออกคุณจะอยู่ห้างในนั้นเด็กก็จะต่อสู้ขัดขืนเด็กต้องเจ็บปวดเด็กต้องตกใจแต่ออกมาแล้วเป็นไงฮะเด็กสบายเด็กสามารถจะเติบโตเป็นมนุษย์เป็นผู้มีปัญญาเป็นพระริยาเจ้าได้อยู่ในคันนี่ไม่มีทางเป็นพระอรหันต์นะฮะอยู่ในคันก็ไม่มีทางจะเป็นอะไรได้ แล้วอยู่ไม่ได้นานจะอยู่แบบพัศยวิริ7ปี7เดือนนี้ไม่ได้ไม่มีมันต้องออกสังคมไทยเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันมันอยู่ในช่วงที่เหมือนกับเด็กที่กําลังคลอดนะกําลังเปลี่ยนจะผ่านจากเก่าไปใหม่มันเจ็บปวดนแต่เราก็ต้องยอมรับว่ามันต้องเจ็บปวดลูกของเราก็เหมือนกันลูกของเราจะพัฒนาได้ลูกของเราเนี่ย เขต้องผ่านความเจ็บปวดนะฮะต้องผ่านความยากลาบากใครที่ดูแลลูกไม่ให้ไม่ใ ห, ไให้ไม่ให้เจอความยากลาบากเลยเรากำลังทํำลายลูกนะฮะลูกเราต้องผ่านความยากลําลบากเขาถึงจะเติบโตเป็นคนใหม่ได้การเติบโตทุกครั้งเจ็บปวดเสมอไม่ว่าจะเป็นคนหรือว่าสังคมนะี่เราต้องต้องยอมต้องยอมรับว่านี่คือราคาของ ความเติบโตของพัฒนาการสังคมไทยตอนนี้เราก็ต้องเราอยาตื่นตกใจมากนะฮะเราก็ต้องยอมรับ ว, ว่ามันมันต้องผ่านความเจ็บปวดมันแค่เปลี่ยนการสู่ทางที่ดีขึ้นได้อยู่ที่ว่าเราจะทําให้มันเปลี่ยนแปลงไปทางไหนที่ดีที่สุดแล้วก็อยู่ที่ว่าเราจะทําให้ความความสูญเสียมันเกิดขึ้นได้น้อยเพียงใดหรือว่าไม่ต้องยาวนานมันก็บที่เกิดขึ้นในหลายประเทศ ฝรั่งเศสเนี่ยกว่าจะเป็นประชาธิปไตยแบบนี้ได้เนี่ยก็ผ่านสงครามกลางเมืองมาปีพันแปเจ็ดสบวั น, นี้ฆ่ากันประมาณเกือบสองหมืคนนะครับปารีสคอมมูนเนี่ยตายกันไปหมื่นสองได้เนี่ยน้องเลือดกันรเมืองไทยไม่ไม่ต้องต้องตายมากขนาดนั้นเยอรมันไม่ไม่ต้องต้อ ง, ต, องต้องทําลายกันมากมายขนาด น, นั้นจะเป็นประชาธิปไตยได้ ญี่ปุ่นไม่ทำไมต้องเจอเจอเจอ hydrogen, ไฮโดรเจนเจออะตอมเจอระเ บ, บิดปรมาณูก่อนเพื่อ ม, มาเป็นประชาธิปไตยได้เพราะว่าก่อนนั้นเป็นสังคมทหารนะฮะญี่ปุ่นเราไม่เลยต้องผ่านความเจ็บปวดอย่างนั้นแต่จะทําอย่างไรก็ก็ต้องช่วยกันนะใช้สันติวิธีดีที่สุดนะใช้ความรุนแรงไม่ช่วยสร้างการทํากระบวนการจิตอาสาจะเสริมให้สังคมแข็งแรงขึ้นได้ไหมครับ ช่วยได้มากเลยเพราะว่าความเปลี่ยนแปลงที่ดีมันต้องมีพื้นฐานจากข้างล่างกิจอาสาเนี่ยเป็นกระบวนการที่ทําให้ภาคสังคมนี่เข้มแข็งสิ่งที่เกิดขึ้นในเวลานี้มันเป็นการเปลี่ยนแปลงในภาครัฐนะคือถ้าสังคมไทย ม, มีประเทศไทย ม, มีมีสามส่วนนะคือภาครัฐภาคตลาดธุรกิจแล้วก็ภาคสังคมตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยสู้กันมากมายเนี่ยคือการต่อสู้กันในระดับภาครัฐซึ่งเป็นภาคซึ่งเป็นส่วนบน ใครจะครองใครจะครองอนาจอนานาจส่วนบทเนี่ยใครใครจะครองจะมาอย่างไรจะเลือกตั้งแต่งตั้งหรือเปล่านี่เราสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเมืองไทยเนี่ยเราเราเสียเวลาไปมากนะกับการต่อสู้กันในส่วภาครักภาคภา ค, ภาคตลาดภาคธุรกิจก็ไม่ได้ขยับเลยในช่วง 6-7 เดือนและยิ่งแย่ก็คือภาคสังคม แต่ถ้าเกิดว่าเราช่วยกันทําให้จิตอ า, าสาเนี่ยเข้มแข็งเนี่ยภาคสังคมก็จะเข้มแข็งขึ้นแต่ว่าภาคสังคมเนี่ยมันต้องมาศัยหลายอย่างไม่ใช่แค่จิตอ า, าสา เ, เดียวการกระจายอำนาจสู่ระดับร่างสู่หมู่บ้านสู่ตําบลสู่ชุมชนเนี่ยก็จะช่วยเสริมทําให้ภาคสังคมเข้มแข็งขึ้นซึ่งตรงนี้เราไม่ได้ทําเท่าไหร่เมืองไทยตอนนี้อ่อนแอมากการศึกษาก็ช่วยทําให้ภาคสังคมนี้เข้มแข็ง แต่การศึกษาเมืองไทยตอนนี้อ่อนแอมากนะฮะไม่ใช่ว่าเราไม่ทุ่มเทนะเด็กไทยเป็นเด็กที่ประเทศไทยเนี่ยเด็กไทยเรียนปีละพัสองชั่วโมงนะมากกว่าญี่ปุ่นสิงคโปร์ฟินแลนด์ผู้ท่านมากสุด ใ, ในโลกฟินแลนด์ซึ่งถือว่าการศึกษานี่อันดับต้นๆของโลกเนี่ยเจ็ดกว่าชั่วโมงต่อปีสิงคโปร์ก็ประมาณนี้ไม่ไม่เกินแปดร้อยไทยี่พันสองนะฮะ เราทุ่มเทวก็ประมาณเนี่ยเป็น GNP เนี่ยสูงมากนะแต่ว่าศูนย์เปล่าเหมือนก็ว่ายิ่งทุ่มเทเด็กยิ่งโง่ลงนะเพราะว่าเราจะไปติดทางแต่ถ้าว่าเราทําการสึกาให้ดีนะมันก็จะช่วยเสริมภาคสังคมให้เข้มแข็งเพราะว่าภาคสังคมเป็นเรื่องของวัฒนธรรมเป็นเรื่องของจิตสำนึกเป็นเรื่องของอความสัมพันธ์ความเกาะเกี่ยวกันในเชิงในระดับ ในนนเชิงพื้นรากรวมถึงการเคารพซึ่งกันและกันแม้ว่าจะมีฐานะทางเศรษฐกิจการศึกษาแตกต่างกันคนไทยเนี่ยเรายังลึกๆนะเรายังดูถูกคนจนเรายังดูถูกพ่อแมากัเหม็เราดูถูกคนงานที่เราจ้างมาทำงานในบ้านเราดูถูกคนที่เรียนน้อยกว่าเรา สังคมที่ยังมีความดูถูกกันแบบนี้เนี่ยมันก็จะทำให้ผ้าสังคมนีอ่อนแออันนี้ก็เป็นเรื่องของครอบครัวเป็นเรื่องของาศาสนาเป็นเรื่องของวัดเป็นเรื่อ ง, องการศึกษาและโรงเรียนที่ทำให้ให้ความสัมพันธ์ไปในทางที่เคารพเกือ้อกูลมากขึ้นกินอาสาเป็นส่วน